ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่มีคนสนใจอยากฟังเรื่องอาหารเรื่องอะไรไง่ายๆแต่ว่าความจริงแล้วเรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่มากสำคัญที่สุดแต่มีคนให้ความสนใจกับมันน้อยที่สุดเพราะว่าทำไมจึงบอกว่าสำคัญที่สุดเพราะว่าอาหารมันคือชีวิตฉะนั้นสิ่ง สำคัญที่สุดในชีวิตเราก็คืออาหารนะครับแต่ทุกวันนี้น้อยคนมากที่จะรู้ว่าตัวเองกําลังกินอะไรอยู่แทบจะบอกว่าคนไม่เคยตั้งคําถามเลยโดยเฉพาะถ้าเรากินอาหารสําเร็จรูปเนี่ยมันยากมากที่จะสืบค้นได้ว่าอะไรมาจากไหนฉะนั้นมันจึงเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตด้วยความประมาทเป็นอย่างยิ่งประมาทเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเรากำลังกินอะไรอยู่ฉะนั้นอาหารในสภาวะปัจจุบันจึงถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตเพราะคนส่วนมากไม่ได้สนใจอาหารที่เรากินวิกฤตยังไงหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าไปตลาดก็เห็นอาหารเต็มไปหมดเลยมีผักเต็มตลาดมีเนื้อมีหมูมีไก่เต็มไปหมด แต่จะมีใครสักกี่คนที่สังเกตว่าทั้งประเทศนี้เรากินไก่แคบไก่พันเดียวนะครับกินหมูพันเดียวแล้วกินกินไข่จากไก่พันเดียวซึ่งประเทศไทยเนี่ยเฉพาะปลาน้ำจืดหนึ่งแม่น้ำเคยมีปลามากกว่าสองพันชนิดนะครับในหนึ่งแม่น้ำเรามีปลามากกว่าสองพันชนิด ผมเป็นเด็กเนี่ยชื่นชอบที่สุดคือปลาครับเติบโตมากับปลาเราจะเห็นว่าหน้าน้ำมานี่ปลากดปล า, าขยางปลาฉลาดปลาหลดปลาขาวปลาคังปลาอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยปลาแต่ละอย่างก็กินแต่ละอย่างมันมีรสชาติที่อร่อยแตกต่างกันแต่วันนี้คนไทยทั้งประเทศกินปลาน้ําจือดอยู่แค่สามพันครับปลาดุกปลานินและปลาทับทิมครับทาไมเรากินแค่นี้ ผักคนไทยเนี่ยกินผักมากกว่าหนึ่งรชนิดต่อปีครับไม่นานนี้เองครับ30 4สี่ปีย้อนหลังไปนี่เองคนไทยกินผักเยอะมากเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำนองในทุ่งนาทุ่งนาที่แห้งแล้งกันดานพอน้าขังปุ๊บผักแว่นผักอีฮีนผักโหบเห็บผักนั่นผักนี่ขึ้นมาเต็มเลยพวกเราก็จะรีบกินเพราะมันอร่อยครับ หมดหน้าฝนปุ๊บผักพวกนี้ก็หายไปหมดเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวก็จะเป็นผักปลูกมีผักกาดผักคะนา้าผักชีต้นหอมมียอดมันมียอดฟักทองมีนั่นมีนี่เต็ไมไปหมดมากก็่าสาสิบชนิดแต่ละฤดูจนเข้าหน้าแรงเหมือนจะไม่มีชีวิตอยู่แห้งแรงกันดานที่ไหนก็ไม่มีน้าแต่เราไม่เคยอดอยากผักครับ เข้าไปในป่าผักติ้วผักกระโดนผักอีลอกดอกกระเจียวหนอคานอว้ยเต็มป่าฉะนั้นเราเคยมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากแต่วันนี้คนไทยกินผักไม่ค่อยเกินห้าชนิดนี่คือความอดอยากขาดแคลนที่เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้สึกตัวว่าเราอยู่ในภาวะที่อดอยากขาดแคลนหลายๆคนอยู่ในเมืองชีวิต ทั้งปีครับมีแค่ข้าวหมูไก่และไข่ผักไม่เคยมีครับหลายหลายคนตื่นเช้าขึ้นมาก็กินโจ๊กก็คือข้าวกับหมูใช่มตอนเที่ยงก็หมูผัดกระเทียมทอดกระเทียมพริกไทยตอนเย็นก็ข้าวขาหมูกินอยู่อย่างนี้ทั้งปีทั้งชาตินี่คือความอดอยากขาดแคลนนะครับแต่เรากลับรู้สึกว่าเราอุดมสมบูรณ์เรามีกินเยอะ การกินอาหารที่น้อยชนิดเนี่ยมีปัญหาสูงมากครับปัญหาแรกคือปัญหาสุขภาพครับเพราะว่าความหลากหลายของพันธุกรรมเนี่ยคือความหลากหลายของสารอาหารคนไทยกินอาหารหลายรสชาติมากมีรสฝาดรสขมรสเปรี้ยวรสจืดรสมันรสเค็มผักลหลายอย่างมีรสที่แตกต่างกันฉะนั้นแต่ละรสบอกถึง สารอาหารที่ต่างกันครับใช่มแล้วก็สีก็ต่างกันด้วยผักนี่มีสีเหลืองสีขาวสีนั่นสีเขียวอ่อนสีม่วงหลายสีมากสีนี้ก็บอกถึงสารอาหารที่ต่างกันทั้งรสชาติและสีสันบอกถึงสารอาหารที่ต่างกันฉะนั้นคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้กินมากแต่เขากินหลายชนิด เราจึงเห็นว่าสมัยก่อนผมเป็นเด็กเนี่ยคนตายเยอะครับแต่ตายด้วยโรคที่ไม่มีเชื้อโรคตายด้วยอหฮีวาตายด้วยไข้เลือดออกฝีดาษมาลาเรียใช่ั้มตายเยอะแต่ถึงแม้จะตายเยอะขนาดไหนก็ตามก็ยังมีคนที่อายุเยอะครับมีคนที่อายุ80ถึงร2 0ปีเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพราะว่าคนอยู่รอดนี่อยู่นานครับ เพราะว่าสมัยก่อนเราไม่รู้จักเรื่องสุข อ, อนามัยไม่รู้จักเรื่องเชื้อโรคเราก็เลยไม่ได้ป้องกันทีนี้คนที่แข็งแรงก็อยู่ได้นานเพราะสารอาหารดีดังนั้นผมเป็นเด็กหมู่บ้านผมมีอยู่แค่500้อยครอบครัวแต่มีคนแก่ที่อายุเกินร้อยปีอยู่สองคนครับตอนหน้าหนาวเนี่ยคนแก่ก็จะมานั่งฝิงแดดกับเด็กเต็มถนนไปเลยเราก็จะรู้สึกว่า มันมีเด็กมีคนแก่มีความหลากหลายของวัยสูงมากแต่วันนี้หมู่บ้านผมมีอยู่หนึ่งพันครอบครัวคนที่แก่ที่สุดคือแปดสิบห้าปีมีไม่ถึงสิบคนครับคนย่่งกันตายช่วงสี่สิบถึงหกสิบครับรอเมนเลยครับเนี่ยแล้วคนที่เจ็บป่วยทุกวันนี้เกิดจากโรคที่ไม่มีเชื้อโรคครับมะเร็งเบาหวาน ความดันโรคหัวใจแล้วก็ภูมิแพ้แต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินชื่อโรคเหล่านี้เลยนะผมเพิ่งได้ยินโรคเหล่านี้ตอนผมอายุยี่สิบห้าปีแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้จักเลยครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสงสัยมากน่าคิดมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นพอมามองดูอาหารปุ๊บเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมการกินของเราเปลี่ยนไปหมดเลย อย่างคนอีสานสมัยก่อนไม่กินหมูนะครับเพราะกินละเวียนหัวไม่กินหมูครับเรากินเนื้อบัวกับปลาไก่เป็นหลักใครข่าหมูในงานเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวที่แย่ที่สุดก็คือจะไม่มีใครกินข้าวเลยครับไม่มีใครกินข้าวเพราะว่ามันมันคนอีสานอาหารอีสานสมัยก่อนไม่มีน้ามันนะครับไม่มีน้ามันแลวไม่มีน้าตาลรสชาติของอาหารอีสานก็คือ มีเปรี้ยวมีเผ็ดมีเค็มน้ำมันไม่มีกะทินี่เป็นของภาคกลางภาคใต้อีสานสมัยรุ่นผมเนี่ยก็เลยไม่กินน้ำมันพอผมเข้ากรุงเทพใหม่ๆเนี่ยทุกที่สุดก็คือมากินอาหารกรุงเทพทุกอย่างต้องใส่น้ำตาลครับมากินกระทพริกกะปิครั้งแรกเนี่ยโอ้ยสอิดสีเอียนมันหวานมาก แล้วก็อาหารทุกอย่างใส่กะทิผมอยู่วัดทำมงคลเนี่ยสุขุมวิทร้อยหนึ่งผมเป็นเนนบินทบาดได้มาก็มีแต่แกงกะทิทั้งหมดเลยน้ําตาไหลครับมาเห็นกะปิปุ๊บอู้ดีใจได้กินน้ําพริกปาดไปคําแรกหวานจ่อยเลยครับเนี่ยคือผมใช้เวลาเป็นปีในการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะอยู่กรุงเทพได้เพื่อจะกินอาหารกรุงเทพได้เนี่ยนี่คือการเปลี่ยนแปลงแต่ทุกวันเนี่ยอาหารอีสานทุกบ้านครับต้องหวาน หวานหมดเลยแล้วก็กินหมูทุกบ้านด้วยครับแต่ก่อนกินไม่ได้เวียนหัวครับแต่วันนี้ทุกคนกินหมูครับเนี่ยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ผมเริ่มสังเกตเห็นมาตั้งแต่เด็กว่าเออพฤติกรรมการกินของเราเปลี่ยนไปคนอีสานที่เคยกินผักเมกผักกระโดนหน่อขาหน่อไว้ผักอีลอกดอกกระเจียวคนรุ่นใหม่กินไม่เป็นแล้วครับทุกวันนี้ใครๆก็ผัดคะน หมูกรอบข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวเรากินอาหารพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นซึ่งทำไมเราต้องกินอาหารน้อยลงแล้วผักพื้นบ้านมันหายไปไหนผักที่เราเคยกินอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเริ่มสนใจเรื่องอาหารมากขึ้นมันหายไปไหนจากการสืบค้นก็พบว่าเราถูกฝึกให้กินเฉพาะ พันที่บริษัทเป็นเจ้าของแล้วเท่านั้นฉะนั้นพันุ์ที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยก็จะไม่มีขายในตลาดให้เราเห็นง่ายๆฉะนั้นชีวิตเราจึงขาดคําว่าอิสรภาพไม่ว่าจะรวยหรือจนกินไก่จากฟาร์มเดียวกันครับไม่ว่าเป็นใครมาจากไหนก็กินผักจากมเมล็ดจากบริษัทเดียวกันใช้ปุ๋ ย, ยอันเดียวกันใช้ยาฆ่ า, มาแมลงชนิดเดียว ฉะนั้นเราขาดอิสระภาพอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของอาหารวันนี้เราจึงมีโลกที่เฮที่สุดคือโลกที่ไม่มีเชื้อโลกทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนี่ยทีนี้อาหารเหล่านี้ถูกพัฒนามายัางไงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนสนใจครับยังผมเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมชอบกินไข่เจียวก็กิกนไข่เจียวไปเรื่อย แต่วันหนึง่งผมไปซื้อขี้ไก่ที่ฟาร์มไก่เขาบอกผมว่าเออเนี่ยน่าจะเลี้ยงไก่เองนะมันดีมากเพราะว่าเราให้อาหารมันแค่วันละหนึ่งกรัมต่อตัวแต่มันจะไข่วะลาสองฟองเขาแนะนําผมด้วยความภาคภูมิใจครับแต่ผมก็มาคิดว่าอาหารหนึ่งกรัมเนี่ยมันเล็กมากนะครับน้อยมากแต่มันไข่วะลาสองฟองเนี่ย มันเอาอะไรไปทําไข่ครับอันนี้ผมก็มาตั้งคําถามใช่ไหมเพราะว่าไก่ในฟาร์มไก่ไข่เนี่ยมันไปหากินที่ไหนไม่ได้นะครับเพราะว่ากรงเล็กๆแค่เนี้ไก่ในฟาร์มเนี่ยตั้งแต่เกิดขึ้นมาปุ๊บพอโตขึ้นอายุประมาณสิบหกอาทิตย์เนี่ยสิบแปดอาทิตย์ปุ๊บมันก็จะจับถูกจับเข้าในกรงเล็กๆเดินหน้าได้หนึ่งเก้าถอยหลังในหนึ่งเก้าชีวิตไม่เคยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะกินกินเสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งลง อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไข่วันละสองฟองสองฟองสองฟองอันนี้มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าแล้วผมจ่ายเงินซื้อไข่เนี่ยผมได้สารอาหารอะไรบ้างในที่สุดเจ้าของฟาร์มเขเนี่ยเรากำลังจะเลาะไก่อยากได้ไหมผมก็เลยว่าตัวเท่าไหร่ตัวละ4ี่สิบบาทพอธรรมดาเขาขายตัวละ2ี่บบาทจะมีบริษัทไปเหมาไปเหมาเอาไก่ ไก่ไข่ที่หมดอายุแล้วเนี่ยเขาจะเหมาแล้วก็เอาไปทําซุปไก่เอาไปทําอะไรต่างๆไก่พวกเนี้ยสามตัวยังไม่ถึงกิโลครับเวลาจับดูเนี่ยเราจะไม่เห็นเนื้อเลยครับเอามากินไม่ได้นะครับเพราะไม่มีเนื้อเลยมีแต่ขนกับกระดูกขนก็นิดหน่อยบางตัวนี่เหลือแต่หนังปากก็ถูกตัดออกไม่มีจะงอยปากเพื่อให้มันกินอาหารผงมันจะได้ไม่เปลืองไม่มันจะได้ไม่กระเด็นออก แล้ว เ, เลยตัดปากออกผมก็เลยซื้อมาร้อยตัวตัวละ4ี่สิบบาทผมเอามาเลี้ยงปุ๊บปรากฏว่ามันต้องมาฝึกเดินใหม่ฝึกกินอาหารใหม่สมสิบตัวตายไปครับเพราะว่ากินอาหารธรรมดาไม่ได้ต้องกินอาหารผงตลอดเพราะาปากไม่มีจะงอยครับหลังจากเลี้ยงไปสามเดือนปุ๊บหลายตัวเดินไม่ได้เลยก็ตายไปเหลืออยู่เจ็ดสิบตัวปรากฏว่า อ้วนขึ้นมาอีกครับอ้วนมากแล้วก็เริ่มสมเดือนต่อมาเนี่ยอ้วนใหญ่มากแล้วก็ไข่อีกไข่ขนาดสองทุกฟองเลยครับไก่ฟาร์มนี่จะมีอายุได้แค่14เดือนครับถ้าปีไหนไข่ราคาแพงมันจะโชคดีอยู่ได้อีกสองเดือนเป็น17เดเดือนครับถ้าเลี้ยงต่อไปกว่านั้นมันตายครับเพราะว่าไก่ทุกตัวป่วยครับแต่ไก่นี่ห้ามตายครับเพราะว่าไก่ไม่ใช่สัตว์ มันคือโรงงานผลิตไข่เฉยๆฉะนั้นเวลามันป่วยไม่สบายเนี่ยอัดยาปฏิชีวนะเข้าไปอัดเข้าไปทั้งในอาหารในน้ําไม่ให้ตายอยู่ได้หนึ่งวันก็ได้อีกสองฟองครับอยู่ได้อีกหนึ่งวันก็ได้อีกสองฟองฉะนั้นมันจึงเป็นธุรกิจที่น่าตื่นเต้นมากครับที่จะไปรู้จักมันฉะนั้นเวลาเรากินไข่เนี่ยเราก็เลยรู้สึกเออตื่นไม่ลงบางครั้งก็เลยทําให้พวกเราต้องเลี้ยงไก่ทุกวันเนี่ย เลี้ยงไก่เองซื้อลูกตัวเล็กๆมาเลี้ยงแล้วก็ไม่ตัดปากไม่ทำอะไรมันเลยปล่อยให้มันกินมันมีความสุขมากครับวิ่งเล่นมันไม่ต้องไข่เยอะครับเราเลี้ยงด้วยต้นกล้วยด้วยเศษอาหารด้วยอะไรเนี่ยมันดีมากไข่ก็จะอร่อยกว่ากันรสชาติต่างกันทันทีฉะนั้นนี่คืออาหารที่เรากินทุกวันครับหมูธรรมดาเนี่ยหมูก็เป็นสัตว์ที่ไม่ได้ขยับนะครับอยู่ในซองเหล็กเล็กๆ ยีนชีวิตอยู่แค่หเดือนอยู่นานกว่า น, นั้นไม่ได้ก็ต้องเอามาชำแหละฉะนั้นถ้าเรารู้จักที่มาของอาหารเนี่ยเราจะไม่อยากจะกินอะไรเลยอย่างผมต้องเลี้ยงวัวนมเองเนี่ยก็เพราะว่าไปเห็นอุตสาหกรรมนมนมเนี่ยวัวธรรมดาเนี่ยกินอาหารปกติ มันจะออกนมได้แค่12ลิตรต่อวันครับแต่ถ้าเล่งอาหารให้โปรโตีนสูงขึ้นให้ให้กากถั่วเหลืองมากขึ้นให้อะไรที่มีโปรโตีนมากๆขึ้นเนี่ยมันให้นมได้ถึง30ลิตรต่อวันครับแต่ว่ามันมีโฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาชื่อว่า o ร i n ิน o w t h Hormone B G H Hormone ฉีดเข้าไปในวัวครับจะทาให้วัวออกนมไดถึง30 ถึง60ลิตรต่อวันเป็นเวลา12เดือนต่อปีครับฮอร์โมนตัวนี้คือฮอร์โมนเร่งโตครับฉะนั้นเขาใช้กันเยอะมากในอเมริกาและในยุโรปกินฮอร์โมนนี้เข้าไปเกิดอะไรขึ้นกับคนเพราะว่าฮอร์โมนนี้ฉีดเข้าไปในวัวบ่อยมันจะปนออกมากับนมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทาให้ตูดใหญ่หน้าอกใหญ่ ประจำเดือนมีเร็วขึ้นและก็หนวดมีเร็วขึ้นหลังจากที่อเมริกาใช้โฮอร์โมนนี้มาสักพักหนึ่งปรากฏว่าผู้บริโภคเริ่มต่อต้านครับมีคนลุกขึ้นมารณรงค์ให้เลิกใช้โฮอร์โมนนี้สูงมากแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เลิกครับแต่ว่าห้างสรรพสินค้าทั่วอเมริกาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวอร์มารเป็น t ทาเกตเป็นคิงซูเปอร์เรื่ออะไรต่งตางๆ มีนโยบายที่จะไม่ขายนมที่มีฮอร์โมนเร่งโตครับการใช้ฮอร์โมนตัวนี้แหละที่ทำให้คนในยุโรปและอเมริกาลดการกินนมลงหัวบ้าบครับทำให้ตลาดนมแคบลงอย่างมากมิวบอร์ดหรือสภานมของอเมริกาของโลกเนี่ยก็เลยมาคุยกันว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าตอนนี้นมตกค้างเยอะมากอย่างในยุโรปนี่อีูส่งเสริมเกษตรกรเลีเ้ยงนมโดยใช้เทคโนโลยีสูงมาก ไม่รู้จะเอาไปขายที่ไหนครับตอนนี้มีเป็นเป็นพันตันนะครับนมผงที่ EU เอเก็บไว้ในในโรงเก็บของเขาอ่ะไม่รู้จะไปไหนครับเพราะว่าส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเอาเงินให้ชาวบ้านเลี้ยงโคนมแล้วก็อุดหนุนเขาได้เงินรัฐบาลพอได้มาปุ๊บขายไม่ออกก็เอามาทาเป็นนมผงเก็บไว้เก็บไว้ทุกวันนี้ไม่รู้จะเอาไปไหนก็เลยเอาไประบายที่แอฟริกาใต้ เอาไปขายในราคาถูกมากเพราะว่าคนเขาเนี่ยไม่อยากจะกินนมครับก็เลยถ้าใครไปต่างประเทศนี่จะเห็นว่า dairy free สูงมากถ้าไปดูในแพ็กเกจจิ้งต่างๆนี่จะมีคำว่า dairy free dairy free เต็ไมไปหมดเลยเพราะเขากลัวฮอร์โมนครับกลัวยาปฏิชีวนะที่สูงมากในนั้นทีนี้สิ่งที่มิ้วบอร์ดทำเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็คือเราต้องสร้างตลาดใหม่เพราะว่าตลาดเก่ามันแคบลงก็เลยมีการ ให้มาส่งเสริมเอาเงินมาให้นักการเมืองในประเทศได้พัฒนาทั้งหลายเนี่ยฝึกให้ชาวบ้านกินนมนี่คือที่มาของคาว่านมโรงเรียนครับแล้วก็คนไทยก็เริ่มเลี้ยงัวนมครับเลี้ยงวัวนมปุ๊บปรากฏว่าเราก็ขายนมไม่ค่อยได้อีกเพราะอะไรเพราะเขาใช้คำว่า free trade หรือ FTA เราจะต้องสั่งนมเข้าจากออสเตรเลียจากนิวซีแลนด์จากยุโรป ฉะนั้นนมผงที่เขาใช้ไม่ได้หรือไม่อยามีใครอยากกินเนี่ยก็เลยถูกนำเข้ามาบ้านเราเราก็เอามาละลายน้ำทำเป็นโยเกิร์ตขายทำเป็นนมเด็กโรงเรียนให้เด็กกินลหลายบริษัทก็เอามาผสมโฟลิกผสมโปรตีนนั่นผสมนี่เป็นอาหารเลี้ยงเด็กฉะนั้นเด็กที่กินนมผงหรือสูตรเลี้ยงเด็กทั้งหลายเนี่ยเด็กจะต้องอ้วนทุกคนครับอ้วนตัวใหญ่แล้วก็เจ็บป่วยบ่อยมากเป็นหืด เป็นภูมิแพ้เป็นหวัดบ่อยมากนี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นมาตลอดถ้าใครเลี้ยงดมแม่ปุ๊บไม่มีปัญหาเลยอันนี้คือความแตกต่างที่เราไม่ค่อยสนใจด่งนั้นทุกวันนี้เรากาลังกินอะไรกันอยู่ถ้าสืบค้นเนี่ยเราจะกลัวมากครับอย่างปลาแซลมอนนี่คือตัวหนึ่งที่น่ากังวลมากที่สุดเพราะไม่มีใครพูดถึงปลาแซลมอนในด้านอีกด้านหนึ่งของมันเลย เพราะว่าฟาร์มปลาแซลมอนตอนนี้ปลาแซลมอนทุกวันนี้มีปลาแซลมอน G M O เพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อครับปลาแซลมอน G M O คือส่วนผสมของอะไรแซลมอน G M O คือส่วนผสมของปลาแซลมอนกับสัตว์ใต้ทะเลตัวหนึ่งชื่อว่าโอเชียนพลมันลักษณะคล้ายๆกับลูกออดครับมันอยู่ในทะเลที่มีความหนาวเ้าเอาตัวนี้เอายีนของมันมาผสมกับปลาแซลมอน ทำให้ปลาแซลมอนโตเร็วกว่าธรรมดาถึงสี่เท่าครับมันโตเร็วมากภายในเวลาเท่ากันเนี่ยมันโตวกว่าธรรมดาถึงสี่เท่าแล้วก็เขาออกแบบปลาแซลมอนตัวเนี้ให้กินข้าวโพด G M O ครับฉะนั้นการเลี้ยงแซลมอนด้วยปลาเล็กๆเนี่ยต้นทุนมันสูงแต่ข้าวโพด G M O คือสิ่งที่ราคาถูกที่สุดในโลกเขาก็เลยเอาปลาแซเอา ข้าวโพดนี่ไปผสมกับปลาเพื่อเลี้ยงปลาแซนมอนปลาแซนมอนเป็นปลากินเนื้อแต่เรากําลังฝึกปลากินเนื้อให้มากินข้าวโพดก็เลยทําให้เนื้อปลาแซนมอนตนี่สีส้มอ่อนๆมากซึ่งปลาแซนมอนธรรมชาติสีมันจะเข้มครับเข้มจนเกือบจะออกแดงเลยแต่ปลาแซนมอนฟาร์มเนี่ยจะเป็นสีส้มอ่อนๆ เขาก็เลยใส่สารเคมีบางตัวเข้าไปเพื่อปรับสีปลาให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้นใส่ไปมากทีเดียวนะครับแต่ไม่ใกล้เคียงถ้าใครไปซื้อปลาแซลมอนที่อเมริกามันจะมีสติ๊กเกอร์ติดบอกว่า color added นั่นหมายความว่าเขาผสมเคมีเข้าไปในอาหารเพื่อเพิ่มสีของปลาเพราะว่ากฎหมายในอเมริกาเขาต้องแจ้งรายละเอียดครับ นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมปลาแซลมอนในบ้านเราจึงถูกกว่าปลาถูกเท่ากับปลาในพื้นถิ่นเท่ากับปลาทะเลเลยแล้วก็ขายทั่วโลกครับเนี่ยคือสิ่งที่ไม่มีคนพูดถึงแล้วก็ในธุรกิจฟาร์มปลาเนี่ยเป็นธุรกิจเดียวทางการเกษตรที่ไม่มีกฎหมายเข้าไปควบคุมการใช้สารเคมีฉะนั้นเคมีในอาหารปลาในฟาร์มปลาจึงสูงมาก ปลาแซลมอนถูกเลี้ยงในฟาร์มเล็กๆกระชังเล็กๆแต่เลี้ยงเป็นหมื่นตัวครับฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเหาทะเลซึ่งเรียกว่าซีไรซ์แล้วมันจะเกาะกินกับลูกปลาเล็กๆจนตายครับมันกินเลือดจนตายเขาก็เลยต้องฉีดยาเคมีเข้าไปดดทีถือว่าเป็นสารผิดกฎหมายทั่วโลกครับห้ามใช้แต่ในฟาร์มปลาใช้ครับบ้านเราก็ใช้ดดทมาก่อนใช่ไมแต่ดีเนี่ยถูก ประกาศว่าเป็นสารที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกฆ่ า, มาแมลงได้ทุกชนิดแต่ไม่เป็นพิษกับคนเลยองค์การอนามัยโลกก็เลยใช้ดีทีเนี่ยฉีดฆ่ายุงลายทั่วโลกเพื่อให้ยุงลายหายไปจากโลกใบนี้40ปียุงลายไม่ได้หายไปครับมันยังอยู่เหมือนเดิมแต่40ปีต่อมาจึงได้มีการค้นพบว่าดีทเนี่ยทให้เกิด การผิดปกติในทารกแรกเกิดทั้งในคนและสัตว์ครับพี่กลพิการที่ป่าสนอเมริกาเหนือเนี่ยที่เขาใช้ดีดีพ่นในป่าสนเพื่อฆ่าด้วงถ้าใครไปแถวลุ่มน้ำบ r ิ t i ส h คล l มเบียลุ่มน้ำในตอนเหนือเนี่ยทุกวันนี้เราจะยังเห็นกบที่มีห้าขาหกขาอยู่ในนั้นครับเป็นเรื่องปกติมากนั่นคือผลของดีดีทเมื่อ40ปีที่แล้วครับ ห้ปีต่อมาจึงได้มีการประกาศให้ดีดีทเป็นสารผิดกฎหมายทั่วโลกแต่วันเนี้ดีดีทีมีการใช้ในฟาร์มปลาหลายที่โดยเฉพาะปลาดอร ล, ลี่ที่เวียดนามปลาดอร ล, ลี่เนี่ยเป็นเป็ น, ปนคล้ายปลาสวายครับมันขาวมากกินไม่ได้ครับแต่เวลาชำแหละปุ๊บเขาจะเอามาล้างแช่ในสารชนิดหนึ่งเพื่อให้กลิ่นขาวมันหายไปแล้วก็สีมันจะขาวขึ้นก็เลยเป็นปลาที่ขายได้ดีในยุโรป 95% ของปลาดอลลี่มาจากเวียดนามนะครับทำไมมันขายดีเพราะว่ามันเป็นปลาที่ไม่มีกลิ่นเลยไม่มีความขคาวเลยฝรั่งเขาจะเกลียดขคาวปลาก็เลยทำให้ปลาดอลลี่ขายทั่วโลกมาจากเวียดนามครเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่รู้จักฉะนั้นปลาแซลมอนที่เรากินทุกวันเนี่ยเป็นอาหารของปลาเนี่ยคือปลาแอนโชวีที่จับในทะเลบอนติก ทะเลบอลติกเป็นทะเลที่ถือว่ากําลังเป็นทะเลที่ตายแล้วในยุโรปเพราะว่าสารเคมีต่างๆในยุโรปตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยถูกดําลงในทะเลบอลติกฉะนั้นทะเลบอลติกจึงมีสารพิษที่สูงที่สุดในโลกก็เลยทําให้ปลาใหญ่อยู่ไม่ได้ครับมีแต่ปลาตัวเล็กๆที่เรียกว่าแอนโชวีเนี่ยเป็นปลาที่มีน้ํามันสูงมากแล้วก็มันจะไปกินตะไคร่น้ําไปกินแพลงต้นเล็กๆแล้วก็ในตะไคร่น้ําแพลงต้นเนี่ย ก็จะมีโลหะหนักพวกสารปรอท PCB DDT พวก 24D ทั้งหลายเนี่ยก็จะปนอยู่ในนั้นแล้วปลาเล็กๆนี่ก็จะไปกินปลาแอนชวีตตัวเล็กๆ เ, เนี่ยเป็นปลาที่มีไขมันสูงที่สุดฉะนั้นมันจะสะสมเคมีสูงมากแล้วฝรั่งไม่กินปลาเล็กครับเขาก็เอาอวนไปลากปลาเล็กๆ เ, เนี่ยมาบดแล้วก็ผสมกับข้าวโพด ท, ทำเป็นอาหารปลาแซลมอนฉะนั้นสารเคมีทั้งหลายจึงมารวมอยู่ในปลาแซลมอน มีนักวิจัยคนหนึ่งอยู่ที่นอร์เวย์ครับเขาก็วิจัยพบว่าปลาแซลมอนจากฟาร์มเนี่ยมีสารเคมีมากกว่าอาหารทุกชนิดบนโลกใบนี้ถึง5เท่าครับจึงได้มีการออกมารณรงค์ว่าคนไม่ควรจะกินปลาแซลมอนเกินอาทิตย์ละสองวันโดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ไม่ควรกินปลาแซลมอนเลยเพราะมีผลต่อเด็กสูงมาก นี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ยินข้อมูลเหล่านี้เลยแต่ถ้าเราไม่ไปเราก็จะไม่เห็นถ้าเราไม่ค้นหาเราก็จะไม่เจอฉะนั้นเราจึงกินอะไรไม่รู้ทุกวันนี้เรากินทุกวันแต่เราไม่รู้ตัวยิ่งอย่างอาหาร G ีโมเนี่ยเป็นอาหารที่เราไม่รู้มีความรู้เรื่อง G ีโมน้อยมากนะครับหลายคนรู้แต่เราก็กินทุกวันโดยไม่รู้ตัวเพราะ G โที่เรากินทุกวันนี้ ก็คือข้าวโพดกับถั่วเหลืองครับแล้วกินทุกวันเลยโดยไม่รู้ตัวข้าวโพดกับถั่วเหลืองคืออะไรครับข้าวโพดกับถั่วเหลืองหรือข้าวสาลีนี่ก็คือพืชธรรมดาแต่พอทำเป็นจีโเนี่ยช่วงแรกเขาเอายีนของถั่วบราซินบราซินนัทเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งสูงครับใหญ่เหมือนต้นกระบกมันคนลพันกับคนลตระกูลกับข้าวโพดครับคอลตระกูลกับถั่วเหลือง มันเรียกว่าถั่วบาซินแต่มันจริงๆมันไม่ใช่ถั่วนะครับไม่ใช่ตระกูลถั่วมันเป็นนัดมันเป็นต้นไม้ใหญ่แต่เขาเอามาผสมกันได้โดยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเอายีนของถั่วบาซินไปยิงเข้าไปในยีนของไอถั่วเหลืองกับข้าวโพดเพื่ออะไรเพราะเขาพบว่าถั่วบาซินเนี่ยมีความสามารถต้านทานยาฆ่ายาที่ชื่อไกลโฟเซตได้หรือราอับชื่อเคมีชื่อการค้าราอับ เวลาเอายิงเข้าไปปุ๊บครึ่งหนึ่งในอนูของมันเนี่ยก็จะเป็นถั่วบาซินครึ่งหนึ่งก็คือถั่วเหลืองกับข้าวโพดหรือข้าวโพดเวลาเอาไปปลูกปุ๊บปล่อยให้หญ้าขึ้นเต็มที่เสร็จแล้วเราก็เอาไกลโฟเจนไปฉีดหญ้าทุกอย่างจะตายแต่ถั่วเหลืองกับข้าวโพดจะไม่ตายเพราะมันมียีนของถั่วบาซินอยู่ในนั้นทีนี้ต่อมาในโรงงาน ผลิตสารเคมีของมอนซานโตเนี่ยที่ล้างถังเขาเนี่ยมันจะไม่มีชีวิตใดๆเหลืออยู่เลยก็มีนักวิจัยคนหนึ่งไปค้นพบว่ามันไม่เคยมีชีวิตใดๆรอดอยู่ในนั้นเป็นเวลาหลายปีมากอยู่ๆเขาก็พบว่ามีแบคทีเรียตัวหนึ่งเติบโตได้ในนั้นครับต่อมาเขาก็เลยเอายีนของแบคทีเรียตัวเนี้ยมาแทนที่ถั่วบาซินฉะนั้นในถั่วเหลืองหรือขา้าวโพด หรือฝ้ายหรือข้าวสาลีก็เลยมียีนของแบคทีเรียตัวนี้ไปอยู่ในนั้นครึ่งหนึ่งแทนถั่วบาซิลเวลาไปปลูกปุ๊บเขาก็พบว่าเออมันยังมีปัญหาหนอนกับมแมลงมากินอยู่เขาก็เลยเอาเชื้อโรคตัวหนึ่งชื่อบาซิลัสทูลิงเจนซิสเอายีนของเชื้อโรคตัวนี้ยิงเข้าไปในถั่วเหลืองข้าวโพดหรือฝ้ายหรือข้าวสาลีอีกทีหนึ่งเพื่อ ให้มันมีอนูครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นพิษด้วยเพื่อว่าปลูกแล้วนอนมากินแล้วตายเลยครับฉะนั้นใครที่ปลูกพืช GMO เนี่ยไม่ต้องใช้ยาฆ่ า, มาแมลงใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างเดียวซื้อไกฟเศสตก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ของเขาจบเลยเกษตรก ร, ร, ก, รก็ชอบครับปลูกแล้วง่ายลงทุนน้อยลงคนก็ชอบเนี่ย บาซิลัสทูริงเจซิสเนี่ยมอนซานโตเคยขายในบ้านเราเป็นผงข้าวข า, ขาให้ชาวบ้านเอาไปละลายน้ำแล้วก็ฉีดพ่นใส่หนอนหินแมลงหนอนตายเลยครับพอแต่ตอนนีน้เราเอายีนของมันไปผสมเข้าไปในพืชเลยเพื่อไม่ต้องฉีดฉะนั้นเวลาหนอนมากินแม้แต่พึ่งกับผีเสื้อมากินน้ำหวานก็ยังตายครับอันนี้ก็เลยทำให้มิดเวสต์ของอเมริกาเนี่ยศูนัน พึ่งกะปิเสื้อศูนพันหลายหลายรัฐต้องนําเข้าพึ่งและผีเสื้อทุกปีครับนี่คือสิ่งที่เรากินทุกวันเขาบอกว่ า, มาแมลงกินตายแต่คนกินไม่เป็นไรเพราะคนตัวใหญ่กว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรากินทุกวันทุกวันเนี้ยเราก็เลยกินอาหารพวกนี้สูงมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแล้วเราคนไทยปลูกถั่วเหลืองนะครับ ผมไปอยู่เชียงใหม่ให ม, ให ม, ใหม่รอบบ้านผมเนี่ยป่าถัเหลืองทั้งหมดเลยแต่ไม่นานทุกวันนี้ไม่มีใครปลูกถัเหลืองครับเพราะอะไรเพราะอเมริกาให้เงินอุดหนุนเกษตรก ร, กรของเขาเนี่ยทําให้เขาปลูกถั่เหลืองต้นทุนถัเหลืองของเขาแพงกว่า บ, บ้านเราสีเท่าขึ้นไปนะครับแต่เอาใส่เรือมาขายที่บ้านเราถูกกว่าถั่เหลืองบ้านเราเพราะรัฐบาลให้เงินส่วนเกินได้ไปอุดหนุนชาวนาก็เลยทําให้ถัเหลืองอเมริกาเข้ามา ถ้าเกษตรกรไทยตายเรียบวันนี้เราก็เลยต้องสั่งเข้าถูอเหลือง GMO เข้ามาใช้กฎหมายไทยบอกว่าอาหารที่มีส่วนผสมของ GMO เกิน 5% ต้องติดฉลากแต่ในชีวิตผมเนี่ยในเมืองไทยผมเห็นอยู่สองอย่างที่ติดฉลากอันดับแรกคือโปรตีนเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนแต่ช่วงนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์ที่ทำอันนี้ออกมาต่อต้าน GMO แล้วแล้วโรงงานก็ปิดไปแล้ว แต่อันที่สองก็คือผลิตภัณฑ์ของเนสเล่ครับซีรีแลกอาหารเด็กไอศครีมช็อกโกแลตอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไปดูเขาก็จะติดฉลากเพราะว่ามีส่วนผสมของพืช GMO ในนั้นแต่ตัวเล็กมากครับขนาดผมใส่แว่นตาผมยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยก็จะมีบริษัทเดียวที่ผมยังเห็นอยู่ทั้งๆที่เรานำเข้าอาหาร GMO สูงมากโดยเฉพาะถั่วเหลืองนี่อันดับแรกครับถั่วเหลืองคนกินเยอะมากเพราะว่า คนไทยแต่ก่อนไม่กินถั่วเหลืองนะครับแต่ทุกวันเนี้ยเขาฝึกให้เรากินถั่วเหลืองแต่ก่อนเรากินน้ํามันมะพร้าวกินกะทิใช่ไหมเขาก็สร้างงานวิจัยออกมาบอกว่าน้ํามันมะพร้าวนี่มีคอเลสเตอรอลสูงอย่าไปกินน้ํามันมะพร้าวก็ก็ให้เราไปกินเนยกินน้ํามันถั่วเหลืองแทนเห็นไมทั้งทั้งที่เนยเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงกว่าน้ำมันมะพร้าวหลายเท่านะครับหลายเยอะเลยอ่ะอ่าทีเนี้ยเราก็เลยไม่กินน้ํามันมะพร้าวเท่าไหร่ จนช่วงต่อมาเนี่ยมีงานวิจัยใหม่ออกมาพบว่าน้ํากะทิสดเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากก็เลยทําให้น้ํามันมะพร้าวบูมขึ้นมาอีกครับตอนนี้ยอเมริกาก็เลยสั่งเข้ามาหาศารมากเมื่อไม่หลายปีที่ผ่านมาคนไทยก็เลยขาดมะพร้าวครับเพราะเขากินเยอะมากเนี่ยต่อมาเราก็มากินน้ํามันปาล์มเขาก็บอกว่ากินน้ํามันปาล์มไม่ดี ทำให้ลิงอูลังอูตังไม่มีที่อยู่ก็มีการลนระลงให้เชลเลกใช้น้ํามันปาล์มอีกให้ไปกินน้ํามันถั่วเหลืองแทนเพราะเขาเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองครับฉะนั้นทุกวันนี้อาหารเสริมอะไรทุกอย่างจะมีส่วนผสมของถั่วเหลืองเต็มไปหมดเลยนอกจากนั้นสิ่งที่เรากินมากไม่แพ้ถั่วเหลืองก็คือข้าวโพดครับข้าวโพดนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้กินมันเลยแต่เรากินทุกวันครับเพราะ มันมาในรูปของแปรรูปมาแล้วครับสิ่งที่มากที่สุดก็คือน้ําตาลที่ชื่อไฮฟลูโตรซิราบไฮฟลูโตรซราบก็คือแป้งข้าวโพด GMO 100% นะครับผสมกับซิตริกแอซิดในห้องแลบมันจะกลายเป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นหวานจัดและราคาถูกที่สุดฉะนั้นทุกบริษัทต้องใช้ตัวนี้ครับน้ําอัดลมทุกยี่ห้อเครื่องดื่มทุกชนิด ขนมช็อกโกแลตอาหารทุกอย่างต้องใช้ตัวนี้ทั้งหมดเลยแต่บ้านเรากฎหมายเราไม่ต้องระบุว่าเป็นน้ำตาลอะไรเขาติดป้ายบอกว่าน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ไม่ได้บอกว่าน้ำตาลอะไรฉะนั้นเราก็เลยกินไฮฟลูคโตสคอนซีรับสูงมากทุกวันคนไทยถูกส่งเสริมให้ปลูกอ้อยแต่ขายอ้อยไม่ได้ครับเพราะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้าตาลอ้อย เราก็เลยต้องเอาอ้อยไปเทปิดถนนในลหลายๆที่ทุกวันนี้อ้อยกิโลละห้สิบตังค์นะครับตันละ500้บาทปลูกแทบตายไม่รู้จะไปขายที่ไหนครับเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสงครามนะครับสงครามทางการค้าที่ใช้เมล็ดพันธุ์ใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการยึดครองประเทศต่างๆฉะนั้นอาหารที่เรากินเนี่ยจึงเต็มไปด้วยสิ่งที่ เราไม่รู้จักถ้าเราไปอ่านฉลากของอาหารในต่างประเทศเนี่ยเราจะพบว่ามีแต่สิ่งที่เราไม่รู้จักทั้งหมดเลยแซนแทนกรัรมคืออะไรอากววคืออะไรแล้วก็มีชื่อเคมีชื่อวิทยาศาสตร์เต็มไปหมดเลยมันทำให้เราไม่รู้ว่าเรากำลังกินอะไรอะ่ะแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะี่คือผลผลิตของข้าโพดครับมี าศาสดามีด็อกเตอร์คนหนึ่งที่วิจัยว่ากินข้าวโพดมากๆแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็พบว่าในยีนของคนในอเมริกาเนี่ยเต็มไปด้วยยีนของข้าวโพดครับเอาเส้นผมไปตรวจปุ๊บเขาก็จะเห็น DNA ของขา้าวโพดเต็มไปหมดเลยเพราะคนอเมริกาทุกอย่างมาจากข้าวโพดครับแม้แต่เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนื้อปลาหมูไก่ อาหารหลักคือข้าวโพด ท, ทั้งหมดยารักษาโรคผ้าอนามัยฐ่านไฟฉายก็มาจากข้าวโพดนะครับรัฐบาลให้เงินอุดหนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดให้ราคาถูกที่สุดแล้วก็เอาเข้าวโพดมาแปรรูปเป็นทุกอย่างในชีวิตของคนอเมริกาเนี่ยคือการที่ทำให้มนุษย์กินน้อยชนิดลงน้อยชนิดลงทุกวันเนี่ย คนอเมริกาหลากัหลกๆก็คือข้าวโพดข้าวสาลีครับตัวเหลืองสามอย่างคืออาหารหลักของคนอเมริกาฉะนั้นคนอเมริกาจึงมีโรคภัยไข้เจ็บที่แตกต่างจากคนอื่นๆสูงมากขึ้นมากขึ้นในปัจจุบันมีโรคที่คนไม่รู้จักเพิ่มขึ้นทุกปีครับนี่คือการกินอาหารที่วิปริตและผิดเพี้ยนมากเขาบอกว่าอาหารจีมโอกินแล้วไม่มีปัญหาเพราะอาหารจีมโอ เหมือนกับอาหารธรรมดาทุกอย่างนักวิชาการจำนวนมากออกมาสนับสนุนตรงนี้งานวิจัยก็ออกมาสนับสนุนตรงนี้เพราะอะไรเพราะมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยต้องใช้เงินของบริษัทเคมีเหล่านี้ทาการวิจัยครับนักวิจัยคนไหนที่ทาการวิจัยออกมาแล้วมีผลงานขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทนักวิจัยเหล่านั้นจะถูกนักวิจัยหลักๆออกมาโจมตีว่างานวิจัยไม่ได้มาตรฐาน แล้วก็ถูกทำให้ออกจากงานการณีแรกคือดร์พุทไซครับดเรพุทไซเป็นนักวิจัยมือหนึ่งของ UN นะครับตอนนั้นอเมริกากำลังบีบให้อังกฤษยอมรับ GMO โทนี่แบรก็เลยให้ดรพุทไซทำวิจัยว่าอาหาร GMO ปลอดภัยจริงหรือเปล่าดรพุทไซก็ไปทดลองเลี้ยงกระต่ายครับปรากฏว่าภูมิกุ้มกันของกระต่ายลดลงอย่างไม่น่าเชื่อสมองบาง กระโหลกสมองบางลงตับใหญ่ขึ้นพอเขาไล้งานออกไปปุ๊บดกเตอร์ผู้ซายถูกไล่ออกจากงานเลยครับแล้วเขาก็ถูกโจมตีว่างานไม่ได้มาตรฐานต่อมาก็มีดกเตอร์คนหนึ่งชื่อดอกเตอร์สารินีทดลองเลี้ยงหนูด้วยถั่วจีโมปากรว่าในร้อยตัวมีถึงเกือบ40บกว่าตัวที่เป็นทูเมอร์คือเนื้อ ง, งอกแล้วเขาก็ถูกโจมตีแบบเดียวกัน หลายหลายคนที่ออกมาอย่างเงี้ยก็จะออกมาอย่างนี้ทั้งหมดเลยทีนี้ในความเป็นจริงแล้วการกินพืชจิมโอเนี่ยปลอดภัยจริงขนาดไหนทุกคนบอกว่ามันปลอดภัยในระบบหลักกระแสหลักแต่เรามาลองดูคนที่กินจิมโอมานานเกิดอะไรขึ้นครับอย่างคนอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นคนที่กินจิมโอนานาน่สุดในโลกเกือบ2ี่สปีนะครับที่เขากินมาและตอนนี้มากกว่า80เซของอาหารในอเมริกา เป็นมีส่วนผสมของ GMO เกิดอะไรขึ้นกับคนอเมริกาสิ่งแรกที่เห็นก็คือคนอเมริกาเนี่ยเริ่มแพ้อาหารมากขึ้นครับสิ่งแรกคือกลูเตนหรือข้าวสาลีสิ่งที่สองก็คือแพ้ถั่วเหลืองแพ้ถั่วลิสงแพ้นั่นแพ้นี่มนุษย์กินอาหารเหล่านี้มายาวนานมากมันไม่เคยแพ้นะครับเป็นร้อยร้อยปีเป็นพันพันปีเราไม่เคยแพ้อาหารเหล่านี้ แต่พอเรามีเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เราภาคภูมิใจมันที่สุดเนี่ยปรากฏว่าเราผลิตอาหารได้เยอะมากแต่คนกลับแพ้อาหารและอาหารเริ่มเป็นพิษมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นว่ามันมีอะไรที่ผิดปกตินอกจากแพ้อาหารแล้วโรคภูมิแพ้คือสิ่งหนึ่งที่ระบาดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อครับในอเมริกาเนี่ยแทบจะบอกว่าทุกหนึ่งในสาม เป็นโรคภูมิแพ้ครับต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันแล้ววันนี้ทุกที่ที่อาหาร GMO กระจายไปถึงเราจะเห็นโรคภูมิแพ้ระบาดไปทุกที่นั่งอยู่นี่ไม่น่าจะต่ำกว่าสิบเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแล้วที่น่าทึ่งก็คือมอนซันโตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ GMO เป็นผู้ที่ผลิตอาหาร GMO เป็นเจ้าของมเมล็ดพันธุ์จีมโอแล้ววันนี้มอนซันโต้แต่งงานกับไบเออร์ครับไบเออร์เป็นบริษัทผลิตยารักษาโรคเป็นบริษัทเดียวกันครับอันนี้น่าทึ่งว่าอาหารที่เรากำลังกินคืออะไรเพราะบริษัทเหล่านี้คือบริษัทที่ผลิตอาหารเป็นเจ้าของมเมล็ดพันธุ์ 80% ของโลกใบนี้นะครับที่เรากิน มันเยอะมากฉะนั้นถ้ามองดูภาพอาหารกว้างๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเราเจ็บป่วยทุกวันเจ็บป่วยมากขึ้นโดยที่ไม่รู้สาเหตุเลยว่ามาจากไหนฉะนั้นมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นกับพวกเราว่าเรามีอาหารเยอะมากประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับหนึ่งในเจดของโลก ที่มีข้าวมากกว่าสอง0 0่สายพันธุ์มีปลาน้ำจืดมากกว่าสองพันสายพันธุ์มีผักเป็นมากกว่าสองพันชนิดมีมันมากกว่า200สยายพันธุ์มีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะวันนี้ทาไมเราจึงกระเสือกกระสนที่จะไปกินข้าวโพด G M O ไปกินถั่วเหลือง G M O ครับเพื่ออะไรทั้งๆที่มันปลูกอยู่ไกลมากแล้วขนมาบ้านเรา แล้วทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าคนครึ่งโลกกนลังลุกขึ้นมาต่อต้านสิ่งเหล่านี้เพราะเขาไม่มั่นใจว่ามันปลอดภัยไหมชีวิตเราเนี่ยสำคัญสูงสุดนะครับมีอะไรยิ่งใหญ่กว่าชีวิตเราแล้วทำไมเราจึงเอาสิ่งที่สำคัญสูงสุดไปเป็นหนูทดลองเพื่อความร่ำรวยของบริษัทไม่กี่บริษัทเพื่ออะไรกันครับเรามีปลาตะเพียนที่อร่อยมากๆเรามีปลากดปลาคาปลาคัง อร่อยมากๆทําไมเราต้องไปนำปลาแซนมอนจากชิลีมากินที่บ้านเราน่าคิดไหมครับแล้วปลาเราเราปล่อยให้มันหายไปทําไมอ่ะปลาแซนมอนนี่มันจืดนะครับถ้าทําอาหารไม่เป็นนี่กินไม่ได้นะครับถ้าไปอบให้นานเกินไปเนี่ยมันจะแห้งจืดแล้วก็มีแต่กลิ่นคาวของอาหารสัตว์ เขาก็เลยมาส่งเสริมให้เรากินดิบๆเป็นสโมกแซนมอนใช่ไหมสโมกแซนมอนก็คือปลาที่ไม่สุกนะครับเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากว่าเรากำลังอดอยากท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ครับนี่คือวิกฤตทางความคิดที่น่าคิดมากว่าเราเรียนมาเยอะมากตั้งแต่ปนหนึ่งถึงปริญญาตีเนี่ยเรียนแทบตาย แต่เราไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาไม่มีปัญญาที่จะสร้างอาหารของเราเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสลดใจนะลูกเรากําลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะกินอะไรครับคิดดูว่ารุ่นผมเนี่ยกินผักมากกว่าร้อยชนิดกินปลามากกว่าร้อยชนิดต่อปีแต่พอผมโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นปุ๊บปรากฏว่าผมกินแค่หมูไก่ปลาและผักสี่ห้าชนิด และอีกไม่นานเนี่ยเราพัฒนาไปกว่านี้เราจะต้องกินอาหารเมร็ดใช่ไหมครับเพราะเขาบอกว่าคุณคือสิ่งที่คุณกินใช่ไหมเรากินปลากินหมูกินไก่ที่เติบโตมาจากอาหารเมร็ดยี่ห้อเดียวกับสอบเดียวตลอดชีวิตเราก็จะต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมอาหารที่เรากินอ่อนแอทั้งหมดนะครับหมูไก่ปลาโดนแดดไม่ได้โดนฝนไม่ได้นะครับ ถ้าพายุพัดปุ๊บหลังคาปิวไปแผ่นเดียวฝนล่วงลงไปในฟาร์มไก่เนี่ยเป็นหวัดตายทั้งอคอกครับไก่ไข่เนี่ยถ้าหมาเห่าใกล้ๆปุ๊บหยุดไข่สองอาทิตย์ครับฉะนั้นฟาร์มไก่ไข่จึงมีรั้วสองชั้นครับมีรั้วสองชั้นเสมอไก่นกรนน ก, นกระทานเนี่ยไข่นกกระทาเนี่ยหมาเห่านี่ตายนะครับตกใจตายทั้งกรงเลยครับทั้งอคอกเลยถักทั้งหลายทุกวันนี้ที่เรากินเนี่ย อ่อนแอมากครับต้องพึ่งฮอร์โมนพึ่งเคมีตลอดเวลาถ้าไม่มีพวกนี้ไม่โตรครับฉะนั้นเราจึงมีชีวิตที่ไม่ต่างจากอาหารที่เรากินทุกวันเนี้ยเด็กๆไปตากเลยอุ้ยลูกไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นไข้ตากฝนอไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นวัดอ่อนแอเรากำลังเป็นสิ่งที่เรากินสัตว์เหล่านี้อยู่ในคอกสี่เหลี่ยมเล็กๆชีวิตเราก็อยู่ในคอกสี่เหลี่ยมไม่ต่างจากสัตว์เหล่านั้นครับ เนี่ยเรากำลังพัฒนาตัวเองไปเป็นสัตว์ที่กินอาหารเม็ดแล้วครับอาหารคือของรสชาติของอาหารเนี่ยคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตนะครับแต่วันนี้เรากำลังมองไม่เห็นคุณค่าของของขวัญอันนี้ทุกวันนี้เราถูกฝึกให้กินรสชาติเดียวคือรสชาติหวานเลี่ยนๆของผงชูรสครับเพราะว่าอาหารทุกอย่างที่เราผลิตขึ้นมาทุกวันเนี่ยมันจืดทั้งหมดครับ รสชาติเดียวคือรสชาติจืดผักทั้งหลายดูอวบอ้วนสวยงามมากแต่กินปุ๊บเหมือนฟองน้ําชุบน้ํามาให้เรากินครับไก่เนื้ออ้วนหน้าอกใหญ่มากเนื้อวัวเนื้อหมูแดงสวยมากแต่เอาไปทําอาหารปุ๊บทําเหมือนเดิมไม่ได้นะครับกินไม่ได้มันจืดครับอย่างไก่ย่างเนี่ยถ้าไม่หมกักผงชูรสเป็นคืนหนึ่งเนี่ยกินได้ไหมมันยากมาก ฉะนั้นสมัยก่อนเราจึงเห็นว่าในครัวของคนสมัย30 40ปีย้อนหลังกลับไปเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับภาคอีสานมีแกเกลือกับปลาสองอย่างครับภาคกลางภาคใต้ก็มีน้ําปลามีเกลือแล้วก็มีกะปิใช่ไหมภาคเหนือก็มีเกลือกับตัวเน่าแค่นั้นเองครับแต่อาหารมันอร่อยมากแต่ถ้าหากว่าไปดูในครัวในวันเนี้ย ทั้งซอสหอยซอสน้ำมันนั่นซอสนี่จนจำไม่ได้ไม่มีตู้เก็บครับเครื่องปรุงเต็มไปหมดเลยอะ่ะเพราะมันกินไม่ได้ก็เลยต้องใส่นั่นใส่นี่นอกจากซอสแล้วยังมีเป็นก้อนอีกนะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหนึ่งหม้อผงชูรสองละยี่สิบบาทหนึ่งซองในน้ำแล้วก็ซุปก้อนอีกไม่ต่ำกว่าหก้อนโยนลงไปในนั้นนี่คือน้ำก๋วยเตี๋ยว เวลาใส่ก๋วยเตี๋ยวปุ๊บก็ต้องผงชูรสอีกหนึ่งช้อนชาในหนึ่งถ้วยใช่ไหมไปกินส้มตำปุ๊บในน้ำปะลาราก็จะมีผงชูรส2องละยสบหนึ่งซอ ง, แ ล, ซองแล้วก็มีซุบก้อนอีกประมาณห -10 ถึงก้อนในผงชในถังปะลาราถังเดียวนะครับแม้แต่ในน้ำมะขามยังใส่ทีนี้ฝรังบอกว่าโอ้เราไม่กินผงชูรสแต่ใครไปกินพิซซ่านะครับในแป้งพิซซ่านี่เต็มไปด้วยผงชูรสครับ ถ้าเราไม่เคยทํางานในร้านพิซซ่าเราจะไม่รู้จักเลยโรงงานพิซซ่าโรงงานทําแป้งพิซซ่าเนี่ยผงชูรสอันดับหนึ่งครับฉะนั้นเวลาเรากินพิซซ่าเราต้องดื่มน้ําอัาลมด้วยเพราะมันคอแห้งครับนี่คือเทคนิคในการขายนะครับเพิ่มยอดขายคือเป้าหมายที่สําคัญะะฉะนั้นคนกินไม่เป็นไรครับฉะนั้นอาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยจึงเป็นอาหารที่อยู่ในระบบธุรกิจที่ต้องการกําไรสูงสุด การสร้างกำไรสูงสุดคือการลดคุณค่าลงครับแต่ทำให้รสชาติเหมือนเดิมใช่มั้ยังนั้นการลดคุณค่าลงก็คือลดของที่มีคุณภาพลงแล้วก็เติมสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเข้าไปเพื่อให้รสชาติมันเหมือนเดิมถ้าใครไปประเทศจีนเนี่ยก็จะไปกินเกี๊ยวซาไปกินนั่นกินนี่หลายๆอย่างไม่ใช่อาหารนะครับมีเนื้อปลอม มีแป้งปลอมมีอะไรปลอมเยอะมากในนั้นนะครับเวลาไปประเทศจีนเนี่ยไม่อยากจะกินอะไรเลยครับพอพอรู้เบื้องหลังหลายหลายอย่างเนี่ยเราจะไม่อยากจะกินอะไรเลยที่นั่นมันน่ากลัวครับเคมีทั้งหมดครับฉะนั้นชะตาเราชะตากรรมของพวกเราจึงเผชิญกับการเจ็บป่วยที่มากขึ้น มันน่าคิดไหมครับว่าเราอยู่ในยุคที่เจริญก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างที่สุดนะครับเรามียาดีที่สุดมีหมอดีที่สุดมีเทคโนโลยีผ่าตัดได้ทุกอย่างเปลี่ยนอวัยวะได้เหมือนเปลี่ยนอะไรมอเตอร์ไซค์เลยครับแต่เราเจ็บป่วยมากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ตายเร็วขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ตั้งคําถามขึ้นมาว่าเรากําลังพัฒนาไปไหนกันสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้พวกเราตัดสินใจว่า เราไม่น่าจะอยู่กับระบบอย่างนี้อีกต่อไปนะเราเป็นมนุษย์เป็นคนที่คิดได้เป็นคนที่ทำอะไรได้ทำไมเราไม่ออกแบบให้มันดีกว่านี้ครับเราเห็นว่าทุกคนทำงานหนักแต่เราทำงานเพื่อใครครับชาวบ้านทำงานหนักมากปลูกผักสลัดเอาไปขายกิโลละยี่บห้าบาทแทบจะไม่ได้อะไร ปลูกข้าวแทบตายเอาไปขายกิโลละ6บาทต้นทุนอยู่ที่8บาทปลูกข้าวแทบตายครับทีนี้คนอยู่ในเมืองผู้บริโภคทำงานหนักแทบไม่มีวันว่างอยู่ๆก็ต้องไปซื้อผักสลัดกินกิโลละร้อยห0บสองร้อไปซื้อข้าวราคาแพงกินอีกทุกอย่างแพงหมดในเมืองระบบอย่างนี้เราสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงแล้วเรายังทนอยู่กับมันทาไม อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราเป็นคนที่คิดได้มีความเข้าใจมีความสามารถทำไมเราไม่คิดที่จะแก้ปัญหาแล้วจะอยู่กับมันอย่างนี้ไปทำไมอันนี้ก็เลยทำให้พวกเราเนี่ยมารวมกันทางระบบอาหารใหม่แล้วฝึกอบรมชาวบ้านทำเกษตรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีมาเก็บมเมล็ดพัน์เองมาสร้างพัน์ของเราเอง แล้วก็หาทางเข้ามาเชื่อมต่อกับคนในเมืองเพื่อที่จะส่งอาหารให้ไปถึงคนในเมืองเพื่อให้ชาวบ้านขายให้มันราคาที่คนปลูกนี่ต้องอยู่ได้และคนกินต้องเป็นราคาที่คนกินซื้อได้ฉะนั้นอาหารจะต้องเป็นธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรมให้ได้เพราะอาหารมันคือชีวิตทุกคนจะต้องมีสิทธิ ที่จะเข้าถึงอาหารที่ดีได้เพราะชีวิตมันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงที่สุดฉะนั้นคนทุกคนควรจะได้กินอาหารที่ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังดิ้นรนกระเสือกกระสนที่จะทําที่จะเปลี่ยนแปลงเราก็สร้างโลกของเราขึ้นมาสร้างกลุ่มเกษตรกรขึ้นมาแล้วก็มาตั้งบริษัทชื่อบริษัททำธุรกิจขึ้นมาเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับคนในเมือง เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตเนี่ยได้เจอกันได้รู้จักกันได้ไปเยี่ยมกันด้วยวันหยุดอยากพาลูกพาหลานไปเยี่ยมเกษตรก ร, ร, ก, รก็จะได้ไปลูกหลานจะได้เห็นว่าข้าวเนี่ยมันมาจากไหนใขรที่เรากินมาจากไหนผักที่เรากินมาจากไหนปลูกยังไงพาลูกพาหลานไปดูการรู้จักอาหารที่เรากินเนี่ยคือการรู้จักตัวเองนะครับ ถ้าเราไม่รู้จักว่าเรากาลังกินอะไรเราไม่รู้ว่าตัวเราคืออะไรมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับฉะนั้นอาหารเนี่ยผมว่ามนันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากใหญ่ที่สุดซึ่งเราควรจะให้ความสำคัญกับมันเป็นอันดับหนึ่งครับแต่ปรากฏว่าในทุกวันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับ <c oughs> อาหารเป็นอันดับสุดท้ายเลย <c oughs> หลายๆคนก็เห็นเขาขายข้าว C, อินทรีย์โอ้ กิโลละห้าสิบบาทแพงมากซื้อกินได้ยังไงอ่ะกิโลละห้าสิบบาทไม่ซื้อกิโลละยี่สิบกว่าบาทดีกว่าใช่ไหมทั้งทั้งที่ทุกคนก็รู้ว่าข้าวอินรีเนี่ยมันไม่มีสารเคมีไม่มีฮอร์โมนและมีสารอาหารมากกว่าอาหารเคมีครับมากกว่าเลยลองกินดูเราจะเห็นความต่างครับว่าผักอินรีกับผักเคมีเนี่ยคนละรสชาตินะครับไม่ต้อง ไปทดลองไก่เอาแค่ไฮโดรพอนิกผักไฮโดรพอนิกกับผักที่ปลูกบนดินเนี่ยก็คนละรสชาติแล้วครับผักไฮโดรพอนิกเนี่ยเหมือนกับฟองน้ําจืดๆไม่มีน้ําเลยไม่มีสารอะไรเลยแต่ผักที่ปลูกบนดินจะสารอาหารมากกว่ารสชาติจะเข้มกว่าฉะนั้นผักอินทรีย์กับผักเคมีอาหารเคมีเนี่ยมันจึงต่างกันมากถ้ากินแล้วเราจะรู้สึกถึงความต่างได้เรารู้ว่ามันต่างแต่เราก็รู้สึกว่ามันแพงเราไม่กล้าซื้อครับ แต่เวลาเราไปซื้อกาแฟเนี่ยไม่มีถ้วยไหนที่ต่ากว่าห้ิบาทแต่เราไม่เคยไม่ไม่เคยคิดเลยว่ามันแพงใช่ไหมชาบ้านขายข้าวอินรียกิโลละห้าสิบาทเรายังไปต่ออีกว่าสามโลร้อยได้ไม่ใหญ่ใช่ไหมแต่เวลาเราไปซื้อกาแฟเราเคยต่อไหมครับถ้วยละร้อยยี่สิบเนี้ยเราไม่เคยต่อนะทั้งที่กาแฟไม่ใช่อาหารกาแฟคือสิ่งเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เราก็ซื้อกินได้โดยไม่คิดอะไรเลยนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ให้ความสาคัญกับสุขภาพทั้งๆ ท, ที่สุขภาพคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งบนโลกใบนี้ครับเรากินขนมก๊อบแก๊บก๊อบแกบ๊ก บ, กบได้ทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีอะไรเลยมันคืออากาศใส่ผงชูรสเกลือและน้ามันแต่เราก็ซื้อกินครับแต่เราไม่กล้าซื้อผักอินรีทึ่งแพงขึ้นนิดหน่อยเนี่ยมันทาให้เราเห็นว่า เราให้ความสนใจกับอาหารน้อยเกินไปซึ่งผมเห็นว่าคนทุกคนทำงานหนักมากแต่เราทำเพื่อใครครับถ้าเราไม่ทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อใครอะ่ะฉะนั้นมันจึงจำเป็นมากที่เราจะต้องกลับมาคิดเรื่องนี้มากขึ้นครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยเรากินอะไรก็ได้เพื่อให้ท้องอิ่มแล้วจะได้รีบไปทำงานใช่ไหม หลายๆคนบอกว่าทำเพื่อลูกแต่เรามีอะไรเหลือไว้ให้ลูกครับเพราะว่างานหนักที่คนทำทุกวันเนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับคืองานที่ทำเพื่อย่อยทรัพยากรมาเป็นเงินนะครับงานทั้งหลายที่เราทำเนี่ยก็คือการทำลายดินทำลายน้ำทำลายป่าทำลายอากาศทำลายแร่ธาตุทั้งหมดให้หมดไปเปลี่ยนมันมาเป็นเงินเราเรียกว่าความสำเร็จ แต่ถามว่าเราเก็บเงินไว้ให้ลูกเนี่ยลูกกินเงินไหมฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็นว่าทุกคนทํางานหนักมากกว่าสิบชั่วโมงบนโลกใบเนี้ยเราจึงเห็นว่าโลกใบเนี้ยกาลังสูญเสียทรัพยากรอันจํากัดอย่างรวดเร็วเราเคยมีเมื่อ50 60, 60ปีที่แล้วเราเคยมีป่าเต็มโลกวันนี้เราเหลือป่าไม่ถึงส5 เราเคยมีแร่าธาตุส่งออกดีบุกส่งออกทองแดงส่งออกไม้สักวันนี้เราไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่น้ำมันเราก็ไม่เหลือเหลือแต่เกลือเราก็เลยไปบีบบังคับเอาเกลือจากชาวบ้านทางภาคอีสานขึ้นมาขายดินที่เคยอุดมสมบูรณ์โยนอะไรลงไปขึ้นทั้งหมดวันนี้เราก็ขูดรีดดินทําลายดินโดยเอาสารเคมีไปปูมันทั่วทุกตารางนิ้วจนดินตายจุลินทรีย์อยู่ไม่ได้ดินตาย หญ้าเกิดขึ้นมาเพื่อรักษาหน้าดินไว้เราก็อ า, ายาฆ่าหญ้าไปฉีดทั้งหมดตายฝนตกลงมาก็ซาะหน้าดินลงทะเลทั้งหมดเหลือแต่ทรายกับหินเป็นที่ผลิตอาหารน้ำมีอยู่เต็มโลกเรามีน้ำมากกว่าแผ่นดินสามในสี่ของโลกคือน้ำแต่วันนี้เราขยันมากจนทำให้น้ำทั้งโลกปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีจนไม่สามารถดื่มน้าได้ผมเป็นเด็กเนี่ย ไปเลี้ยงควายเนี่ยฝนตกลงมาก้มลงดูดตามรอยตีนควายนะครับกินน้ำได้เรารู้สึกอร่อยปลอดภัยแต่วันเนี้ยขุดลึกลงไปถึง25เมตรเอาน้ำมาตรวจยังเจอไกลโฟเรสตยังเจอพาราควอตอยู่ในนั้นครับเราวันนี้เราก็เลยต้องซื้อน้าขวดดื่มทุกคนทุกบ้านอยู่บนดอยก็ต้องซื้อน้าดื่มครับนี่คือความขยันของเราเราขยันอย่างหนักเพื่อทำลายทรัพยากร ที่จะเลี้ยงชีวิตเราและเลี้ยงลูกเราแล้วเราบอกว่าเราทำเพื่อลูกคิดถึงวันสิบปีข้างหน้าเนี่ยลูกเราจะอยู่ยังไงครับอาหารก็ไม่มีมีแต่อาหารเม็ดร่มเงาเย็นเย็นก็ไม่มีต้องไปหลบซ่อนอยู่ใต้กองเงินทุกที่แห้งแล้งกันดารภัยพิบัติจะรุนแรงขึ้นแล้วก็ถีขึ้นถีขึ้นถีขึ้น น้ำท่วมแผ่นดินไหวฝนแรงซีนามิพายุถลม่มมันจะบ่อยขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นมันก็เลยทำให้ผมมาถามตัวเองว่าเรากาลังทำอะไรอยู่เราทำงานหนักยิ่งกว่าธาตุเราคือขี้ค่าชั้นดีแต่เราทำเพื่อใครคิดถึงหน้าลูกปุ๊บทำให้ผมไม่อยากจะทำอะไรเลยมันก็เลยทำให้พวกเรามารวมตัวกันว่า เราจะเก็บเมล็ดพันธุ์เราจะเลิกใช้สารเคมีทุกชนิดในทางการเกษตรทั้งหมดเลยแล้วเราก็ทำมา16ปีที่เชียงใหม่จริงๆแล้วก็เทิมมาประมาณ20ปีแล้วแล้วก็พบว่ามันง่ายมากมันเป็นไปได้เราสามารถพัฒนาดินได้ทำให้ดินดีขึ้นผลผลิตสูงขึ้นโดยไม่ใช้สารเคมี เราก็รู้สึกว่านี่คือทางออกนี่คือทางออกที่เราจะต้องมาพัฒนาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆในเมื่อเราทำให้มันยากได้ทำไมเราไม่สนใจที่จะมาทำง่ายๆแบบนี้ทำให้มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดมากว่าเรามีมหาวิทยาลัยเต็มบ้านมีนักวิจัยนักวิชาการเต็มมหาวิทยาลัยเลย ทำไมเราไม่มาส่งเสริมให้คนทำอะไรให้มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆทาเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีได้ไหมมาผลิตอาหารให้มันมากขึ้นได้ไหมโดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีหรือเคมีมากเพื่อให้ราคามันถูกลงให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่ดีได้ทำไมเราไม่วิจัยเรื่องอย่างนี้เลยแต่เรากลับไปวิจัยเทคโนโลยีแบบนาโนแบบนั่นนี่ ที่ยากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นจนชาวบ้านใช้ไม่ได้ต้องซื้อตลอดอันนี้มันทําให้ผมรู้สึกไม่เข้าใจว่าเป้าหมายการศึกษาคืออะไรมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่อยากส่งลูกเข้าโรงเรียนครับจนถึงทุกวันเนี่ยแต่ลูกผมก็อยากไปโรงเรียนแล้วตอนนี้มันก็เลยไปเข้าโรงเรียนก็ปล่อยไปแต่ว่ามันได้พื้นฐานที่ดีแล้วอันเนี้ อันนี้ก็คือเรื่องที่อยากจะชวนพวกเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยสำคัญสูงสุดบนโลกใบนี้ครับอาหารคือสิ่งที่จะมาเป็นชีวิตเราเราตัดขาดจากอะไรบนโลกใบนี้ไม่ได้นะครับที่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าผมอยู่โดดเดี่ยวอย่างนี้นะครับทุกนาทีมันมีอากาศไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปทุกวัน มีผักมีปลามีข้าวไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปผักปลาข้าวเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีไส้เดือนมีจุลินทรีย์มีหนอนมีแมลงมีผีเสื้อมาช่วยสร้างทําให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาฉะนั้นที่เห็นเป็นตัวเป็นตนอย่างเนี้ยมันไม่ใช่แค่นี้ครับมันผูกพันกับอะไรหลายอย่างมากฉะนั้นชีวิตเราไม่ได้ถูกตัดขาดจากอะไรบนโลกใบนี้การคิดถึงชีวิตตัวเองจึงจําเป็นต้องคิดถึงทุกอย่างบนโลกใบนี้ด้วย การดูแลตัวเองมันไม่ใช่แค่การกินอาหารที่เรามั่นใจหรือซื้อมาด้วยความภาคภูมิใจว่ามันสะอาดปลอดภัยเท่านั้นแต่มันหมายถึงการดูแลทุกอย่างรอบรอบตัวเราด้วยฉะนั้นมันจึงเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากการกลับมาคิดถึงอาหารเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจอะไรได้มากทีเดียวครับ เข้าใจโลกเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องอาหารผมว่ามันยิ่งใหญ่มันสำคัญเรามีลูกเรามีหลานการกินอาหารเนี่ยมันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการมีชีวิตอยู่สมัยก่อนเนี่ยทางานหนักๆมาเนี่ปุ๊บสิ่งที่คิดถึงที่สุดคือจะได้กินอาหารที่อร่อยที่สุดนะครับฉะนั้น อาหารเนี่ยมันคือสิ่งที่เราใฝ่ฝันและตั้งตาลอมันทุกวันทุกวันวันละสามครั้งครับใช่แต่ว่าวันเนี้ยเรากำลังละเลยความงดงามของชีวิตอันนี้ไปโดยการกินอะไรก็ได้แค่ให้ท้องอิ่มแล้วเราจะได้รีบไปทำงานชีวิตเรามันไม่ควรจะมีแค่งานกับเงินเท่านั้นครับมันควรจะมีความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานมีความงดงามอยู่ในนั้นด้วยมันจึงจะรู้สึก อิ่มรู้สึกเต็มรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันคุ้มค่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันคุ้มเราต้องใช้ให้คุ้มเราไม่ควรรีบตายครับเพราะมันสนุกมันอร่อยมันเพลิดเพลินเนี่ยเราไม่ควรรีบตายอันนี้คือสิ่งที่อยากจะชวนให้พวกเราคิดกันอันนี้ก็พูดมายาวเกินไปอยากจะให้ถามให้อะไรมากขึ้นครับจะได้รู้ว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรมาก ในสามยกมือได้เลยฟังละสุดตรงไหมบ้าเกินไปไหมอ่อาก็วิพาก์วิจารณ์ได้นะครับไม่ต้องถามอย่างเดียวเพราะว่าผมก็กําลังเรียนรู้อยู่เหมือนกัน <c oughs> ทางน้นครับอ ย, อยากถามว่าทำไมพี่โจนถึงไปเลือก อยู่ที่เชียงใหม่ทำไมถึงต้องเป็นจังหวัดนั้น แ, แทนที่จะเป็นที่อื่นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากอยู่เชียงใหม่ครับผมอยากอยู่ยโสธรบ้านเกิดเพราะผมรู้สึกว่าผมคุ้นเคยกับทุกอย่างผมถนัดที่นั่นมากแต่ช่วงนั้นเนี่ยผมทำบ้านดินเดินทางมาหลายปีแล้วผมก็เริ่มรู้สึกเหนื่อย เริ่มรู้สึกว่าบ้านดินไม่มีความสำคัญเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันง่ายมากใครๆก็ทำได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือผมเป็นห่วงเรื่องเมล็ดพันธุ์ครับเมล็ดพันธุ์หายไปจากโลกทุกวันและไม่กลับมาอีกหายไปอย่างรวดเร็ว ด, ด้วยทีนี้ผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะใช้เวลาบั้นปลายของชีวิตเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นงานหลักเลย แต่ถ้าจะทําที่ยะโสเนี่ยหน้าน้ําน้ําขังปลูกข้าวได้อย่างเดียวหน้าแล้งไม่มีน้ําใช้เจาะบาดาลก็ได้น้ําเกลือครับผมรู้สึกว่าเป็นข้อจํากัดมากถ้าผมอยากจะเก็บเมล็ดพันธุ์ให้ได้มากเนี่ยผมอยากจะได้พื้นที่ที่มีน้ําสะดวกแล้วก็มีภูมิประเทศที่ปลูกอะไรได้มากขึ้นก็เลยขึ้นไปหาที่ที่เชียงใหม่ที่ไปเชียงใหม่ก็เพราะว่า มีเพื่อนมีคนรู้จักที่นั่นก็เลยไปเลือกที่เชียงใหม่ครับก็เลยได้อยู่ที่แม่แตง่งจนถึงทุกวันนี้ครับจะสอบถามเรื่องหลักในการเลี้ยงลูกของของพี่โจนะฮะหลักสําคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกของพี่โจนคืออะไรครับครับเรื่องเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ ตอนแรกเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าจะมีลูกนะครับพอแต่งงานกันปุ๊บเราก็คุยกันว่าเราไม่น่าจะมีลูกนะเพราะว่าโลกนี้มีเด็กเยอะมากเราน่าจะทำเด็กที่มีอยู่นี่ให้ดีขึ้นดีกว่าจะไปสร้างเด็กคนใหม่ขึ้นมาอีกเราคุยเรื่องนี้กันครับแล้วเราก็ค้นหาเรื่องการมีลูกบุญธรรมต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างในระหว่างที่ค้นหานี่แหละครับ มันเป็นความผิดของบริษัททำถุงยางอนามัยครับมันแตกก็เลยได้ลูกขึ้นมาครับพอได้ลูกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ดีใจครับที่ได้ลูกขึ้นมาแต่ว่าเราก็มาคิดว่าคนทุกคนนี่ก็คิดว่าการมีลูกนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นภาระมากเพื่อนหลายหลายคนเนี่ยไม่กล้ามีลูกเลยครับเขาบอกว่า ตัวเองยังจะเลี้ยงไม่รอดแล้วเราจะเลี้ยงลูกได้ยังไงหลายหลายคนพอเมียตั้งคันปุ๊บก็จะต้องหาเงินเก็บเพื่อที่จะคลอดเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกผมก็มาคิดว่าทำไมการกมีลูกจึงต้องยากและหนักขนาดนั้นทำไมการมีลูกจึงเป็นความเครียดความกลุ่มของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการมีลูกถือว่าเป็นโชคครับใครมีลูกดกถือว่าโชคดีฉะนั้นเวลาแต่งงานเนี่ยเขาจึงอวยพรว่าให้มีลูกดกเหมือนปู่เห็นไหมมีลูกเยอะๆการมีลูกเยอะหมายความว่ามีแรงงานเยอะขึ้นแล้วลูกมันจะดูแลกันเองครับพ่อแม่ก็จะได้ผ่อนคลายแต่ทุกวันเนี่ยกลับไม่มีใครอยากมีลูกผมก็มาคิดว่าเราจะ มีลูกให้ง่ายได้ไหมก็เป็นคำถามขึ้นมาแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะทำลูกให้ง่ายได้ยังไงเลี้ยงลูกให้ง่ายได้ยังไงในที่สุดเราก็เลยหาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้เราก็เลยลองว่าเราจะคลอดแบบบ้านๆได้ไหมหาหมอตำแยรครับปรากฏว่าหาไม่ได้หมอตำแยศูนพันครับอ่า ในที่สุดก็เลยกลับไปยะโสไปคลอดที่ยะโสไปหาหมอก็ไปคุยกับหมอนานมากครับหมอไม่ยอมที่อยากจะให้เบ่งเองหมอก็อยากจะผ่าอย่างเดียวอ๋อเรก็คุยกันนานในที่สุดเขาว่าเออเออผมเบื่อแล้วไม่คุยแล้วเบ่งเองก็ได้เป็นกรณีเดียวแค่นี้นะอย่าพูดให้คนอื่นฟังแกบอกก็เลยไปคลอดที่โรงพยาบาลคลอดเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่า ยังไม่ฉีดวัคซีนได้ไหมเพราะผมเห็นว่าเด็กที่อายุยังไม่เกินหนึ่งปีมันอ่อนแอมากไม่ควรให้วัคซีนเด็กผมมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะก็มีหลายกระแสที่ออกมาบอกว่าการฉีดวัคซีนเด็กเนี่ยอาจจะมีผลทำให้เด็กนี่เป็นออทิสติกได้หรือเป็นภูมิแพ้ได้เป็นอะไรได้หลายอย่างทีนี้ผมก็เลยไม่อยากฉีดผมว่าอย่างน้อยๆต้องหนึ่งปีขึ้นไปก็เลยรีบเอาลูกออกจากโรงพยาบาลครับ พอเอาไว้นานนี่เขาก็จะทําตามกําหนดขั้นตอนของเขาหมดเอาออกมาปุ๊บก็เลี้ยงลูกแล้วในตอนก่อนจะออกมาโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็ให้นมผงมาอีกครับฝากนมผงไมาอีกสองถุงใหญ่เลยแล้วเขาก็บอกว่านี่เห็นไหมแม่ไม่มีน้นํานมเลยอ่ะก็เพิ่งคลอดเมื่อกี้จะให้มีน้นํานมได้ยังไง <laughs> เนี่ยผมก็เลยกลับมาบ้านปุ๊บผมก็คุยกับเมียว่าเราจะไม่ให้อาหาร พี่แปลรูปแล้วกับเด็กเลยแล้วเราก็คุยกันว่าเราจะไม่ให้ลูกกินอาหารและน้ำเลยก็เลยสบายเลยครับทีเนี้ยมาอาทิตย์เกือบสามวันครับยังไม่มีน้ำนมผมก็เลยเอาปีกกล้วยมาแกงเลียงให้กินแกงเลียงปีกกล้วยหม้อใหญ่ๆ บ, บังคับให้กินกินให้หมดกินไม่นานครับพุ่งปื๊ดเลยครับน้ำนมนี่พุ่งดีมากเลย ปีกล้วยนี่สุดยอดครับหลังจากนั้นลูกก็กินกินไม่หมดก็ต้องบีบออกทีเนี้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เราสามารถปรุงรสน้ำนมได้ด้วยนะครับผมก็จะชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างทีเนี้ถ้าให้เมียกินดก้วยสุกเยอะๆรสชาติมันจะออกหวานๆนิดหนึ่งแต่ถ้าให้กินพวกเม็ดมะม่วงหิมะพานบ้างถั่วลิสงบ้างกินงาบ้างมันจะมันๆและอร่อยดีมาก ฉะนั้นเราก็เลยปรุงรถนมให้ลูกกินอย่างดีเลยครับก็เลยเออดีว่ะในที่สุดผมก็พบว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันง่ายมากและถูกมากก็คือเพื่อนผมมีลูกพร้อมกันนะครับค่านมผงค่าซีรีแลเลี่เดือนหนึ่งสมัยนั้นสิบห้าปีที่แล้วเดือนละสามพันถือว่าแพงมากนะครับแต่ผมเนี่ย ไม่เคยจ่ายค่าอาหารให้ลูกเลยครับแม้แต่น้ําหยดเดียวก็ไม่เคยป้อนให้ลูกกินครับแต่ดูแลเมียอย่างดีครับผมนวดให้เมียทุกวันนะครับเมียผมนี่มีความสุขมากได้รับการนวดดูแลทุกวันอาหารนี่ก็อัดเข้าไปผลไม้อัดเข้าไปเป็นกิโลถั่วต่างๆอัดเข้าไปกินกินกินอไม่ต้องคิดถึงตัวเองกินเพื่อลูกอ่า ปรากฏว่าลูกผมจนอายุปีนี้ส5บหปีครับไม่เคยเป็นไข้เลยครับมีตัวร้อนอยู่ครั้งเดียวกลางคืนผมเอาผ้าชุบน้าเช็ดหายหลังจากนั้นไม่เคยมีอะไรอีกเลยมันดีมากผมไม่เคยซื้ออะไรให้เด็กมากมายแม้แต่พระอ้อมผมก็ยังใช้ผ้าเช็ดตัวเก่าๆนี่มาตัดเป็นแผน่นแล้วก็ซื้อกางเกงยางมาใส่แล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวใส่ แต่แล้วมันเยี่ยวบ่อยใช่ไหมผมก็เอาผ้าช็ตัวเนี่ยมาซักครับผมก็ได้น้ําเยี่ยวไปลดผักอีกนเนี่ยก็เลยดีครับก็เลยมีลูกจนอายุหลายปีผมจ่ายแค่เจ็ดพันบาทครับจ่ายค่าทําคลอดเพราะผมไม่มีบัตรทองในยุคนั้นผมไม่มีบัตรอะไรผมก็เลยต้องจ่ายค่าทําคลอดให้หมอเป็นพิเศษเขาบอกว่ามันเป็นกรณีพิเศษนะต้องจ่ายแพงหน่อยก็เลยได้จ่ายเจ็ดพันในยุคนั้น หลังจากนั้นมาผมก็รู้สึกว่ามันดีมากเลยการมีลูกไม่ใช่ภาระนะการมีลูกเนี่ยเราก็เลยได้เรียนรู้อะไรเยอะมากโดยเฉพาะได้เรียนรู้ตัวเองครับเพราะเราเพราะเราสังเกตดูว่าลูกมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของลูกนะครับหลายๆครอบครัวที่ผมสังเกตเนี่ยมันเป็นปัญหาของพ่อแม่ครับฉะนั้นเราก็เลยมาคุยว่าเราไม่อยากจะให้ลูกงองแง เราจะทำยังไงฉะนั้นลูกงองแงเพราะลูกไม่ได้ดังใจแล้วก็เคยงองแงแล้วมันได้ดังใจฉะนั้นเราก็มาตกลงกันว่าเราจะต้องคิดให้ตรงกันอย่าขัดแย้งกันในการดูแลลูกเพราะบางคนเนี่ยถ้าพ่อกับแม่ขัดแย้งกันปุ๊บลูกมีปัญหาเลยนะครับพ่อบอกว่าอย่าไปกินน้ำอารมณนะแต่แม่ขโมยให้กินใช่ไหม หรือแม่บอกว่าอย่าให้กินขนมนะแล้วพ่อแอบให้กินหรือยายแอบให้กินอย่างเงี้ยอันนี้จะมีปัญหาเลยครับเด็กจะงองแงและเด็กเนี่ยมันมีจติตวิทยาที่สูงมากมันเข้าใจสิ่งต่างๆได้เร็วมากฉะนั้นการมีลูกถ้าอยู่ไกลจากปู่ย่าตายายได้จะดีที่สุด <c oughs> เพราะว่าเราจะเลี้ยงลูกได้ตามวิธีที่เราต้องการเลี้ยงได้ครับอ่าฉะนั้นเราก็เลย คุยกันว่าเราจะไม่ใช้อารมณ์ต่อกันและกันเราจะต้องใช้สติมากขึ้นถ้าโกรธมากๆทนไม่ไหวเนี่ยต้องไปให้ไกลลูกให้ได้อย่าให้ลูกเห็นถ้าอยู่กับลูกเราจะต้องใช้เหตุผลเสมอคุยกันด้วยเหตุผลเสมอเราจะไม่คิดว่าลูกอายุยังน้อยเราจะไม่คิดว่าลูกไม่รู้อะไรเลยเราจะคิดว่าลูกคือคนเท่าเราเราจะต้องสื่อสารกับลูกเหมือนกับสื่อสารที่คนกับคนที่อายุเท่ากัน ปรากฏว่าลูกมีเหตุผลมากครับมีเหตุผลไม่งองแงไม่ร้องให้อยากได้นั่นได้นี่เราอธิบายทุกอย่างครับอย่างพาลูกอายุสามปีปุ๊บพาผมพาเด็เขาไปในเมืองมันบอกว่าพ่อพ่อพ อ, อยากได้รถสิบล้อมันเป็นรถของเล่นพลาสติกคันใหญ่ๆผมก็เลยว่าลูกรถสิบล้อเนี่ยมันเป็นพลาสติกคุณภาพต่ำที่ทำมาจากประเทศจีนนะลูก เนี่ยแล้วก็สีที่ใช้เนี่ยอาจจะมีเคมีสูงมากถ้าลูกเผลออมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเข้าไปในร่างกายด้วยแล้วรถพวกนี้ยราคามันถูกมากใช้แป๊บเดียวล้อหลุดใช้ไม่ได้ทิ้งนะลูกเป็นขยะอีกนะมันบอกว่าถ้างั้นผมเอาอันเล็กๆได้ไหมพ่อก็เลยซื้ออันเล็กๆอันละสิบาทให้มันหลังจากนั้นมันก็ไม่อยากได้รถอีกเนี่ยมันก็เริ่มคุยกันอย่างนี้ครับมันดีอ่ะหลังจากนั้น พอลูกโตขึ้นมาปุ๊บลูกผมเนี่ยไม่เคยขอเงินเลยนะตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้ครับ15ปีไม่เคยขอเงินพ่อแม่และมีเด็กสคนที่เติบโตมาพร้อมกันในสวนเราก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยสคนเนี่ยและสามคนไม่เคยขอเงินพ่อแม่เลยเขาหาเงินเองเขาเก็บเงินเองครับอย่างวันเกิดเนี่ยตากับยายให้เงินมาปุ๊บเขาก็เก็บไว้หรือเวลาเราเรา มันอยากได้ของเล่นอย่างเงี้ยอย่างตอนหนึ่งมันอยากได้เลโก้ตอนนั้นอายุห้าปีหรือไงเนี่ยพ่ออยากได้เลโก้ตัวเท่าไหร่ลูกห้าร้อยชุดละห้าร้อยบาทผมก็เลยว่าพ่อไม่มีรายได้ไม่มีพ่อไม่เคยทํางานที่มีรายได้นะลูกลองคิดดูสิว่าถ้าลูกจะหาเงินลูกจะทํำยังไงเนี่ยพอดีช่วงนั้นก็มีนักมายากลคนหนึ่งมาที่สวนมันก็ไปขอเหรียนเล่นไพ่กับเขา เอาไพมาสองใบปิ๊ขึ้นมาเป็นฝั่งนี้ปิ๊ขึ้นมามันก็ตลกดีผมันก็ไเรียนเสร็จปุ๊บมันก็ชวนกันสามคนเพื่อนทําบัตรขายบัตรแสดงมายากลคืนนี้ขายในสวนครับอแปบ๊บเดียวครับมันให้เงินห้าร้อยครับเสร็จแล้วมันก็แสดงมายากลให้คนดูเสร็จแล้วมันก็ได้เงินไปซื้อเลโก้เนี่ยโตขึ้นมาอีกนิดหน่อยพ่อยากได้โทรศัพท์ มันก็เลยบอกว่าลองคิดดูสิว่าทำยังไงจึงจะหารายได้ได้มันก็ไปที่ร้านกาแฟแล้วก็ไปถามเขาว่าช่วยสอนผมทำคุกกี้ได้ไหมเขาก็พามันทำคุกกี้เสร็จ แ, แล้วมันก็ไปยืมแป้งยืมเนยยืมน้ำตาลจากครัวมาแล้วก็มาทำคุกกี้แล้วมันก็ขายแล้วมันก็ได้เงินครับเนี่ยมันก็เริ่มคิดอย่างนี้เรื่อยๆมันก็เริ่มทาอย่างนี้มาตลอด ทีเนี้ยพอมันรู้จักว่ามันจะต้องหาเงินเองบริหารเงินมันเองเนี่ยมันเริ่มคิดเริ่มวางแผนของมันเองทั้งหมดได้เงินมาปุ๊บพ่อผมฝากไว้เท่านี้นะผมก็ไปฝากไว้ให้มันมันก็จะบริหารของมันเองเนี่ยมันก็เลยง่ายขึ้นมากมันเป็นเหตุเป็นผลครับใช้เหตุใช้ผลเด็กนี่จะไม่มีคำว่างอแงไม่มีคาว่าร้องให้อยากได้นั่นได้นี่ทีเนี้ยพอเราเลี้ยงอย่างเนี้ย เราให้อิสระภาพกับมันเต็มที่เลยครับในอิสระภาพในการเรียนเพราะว่าเราไม่ส่งลูกเขาลงเรียนเราให้มันเรียนเองการเรียนเองเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเขาสนใจเรื่องอะไรครับมันง่ายมากเพราะว่าเราไม่จาเป็นต้องเป็นครูนะครับวิธีคิดของเราก็คือเราสอนแค่วิธีการหาความรู้ให้เด็กแต่การหาความรู้เป็นหน้าที่ของเด็กครับ ฉะนั้นเราสอนอ่านออกเขียนได้บวกลบคูณหารได้พอฉะนั้นงานอื่นๆก็คือเราก็หาอุปกรณ์เครื่องมือทิ้งไว้ให้เขาเขาก็จัดการของเขาเองฉะนั้นมันสนใจเรื่องอะไรมันก็หาเซิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ทำเองปรากฏว่ามัน เ, นเรียนเร็วมากครับไปขึ้นเทอเบียนเป็นโฮมสคูลมันอยู่ชั้นป .3 แต่มันเรียนคณิตศาสตร์เรียนกับ Khan Academy ในอินเทอร์เน็ตใช่ไห มันเรียนถึงป .6 แล้วครับในขณะที่อยู่ป .3 อ่ะเพราะมันชอบเนี่ยแต่ภาษาไทยมันเขียนไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันไม่ชอบอ่ะมันยังไม่ชอบมันยังเขียนไม่ได้ช่างมันเจ้าหน้าที่การศึกษาเขตเออมันเขียนไม่ได้นะอายุขนาดนี้แล้วมันน่าจะต้องได้ผมก็เลยบอกว่าเด็กมันไม่ใช่ลงไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมนะครับจะให้เด็ก มีมาตรฐานเดียวกันหมดตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้แม้แต่ครูเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เก่งทุกวิชาแล้วจะมาให้เด็กเก่งทุกวิชาทำไมอ่ะใช่ไหมครูเรียนภาษาอังกฤษมาแทบตายยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเด็กไม่จำเป็นต้องไปเทียบกับใครไม่จำเป็นต้องไปสอบเพราะข้อสอบมันใช้ไม่ได้กับเด็กทุกคนเพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันทำไมต้องสอบ ฉะนั้นการสอบมันจึงวัดผลอะไรไม่ได้เราก็เลยไม่สนใจให้เด็กสอบอะไรเลยฉะนั้นเวลาทำรายงานโฮมสคูลเนี่ยผมก็ให้คะแนนไปเลยครับอยากได้เกรดสี่ก็ให้เกรดสี่ไปเลยส่งรายงานไปเลยครบหกปีกระทรวงศึกษาออกใบประกาศปหกได้เกรดสี่มาเลยง่ายมากเนี่ยมันดีครับมันดีเพราะว่ามันไม่เป็นภาระให้พ่อแม่ครับ สิ่งสําคัญที่สุดคืออิสรภาพครับอิสรภาพกับความรักถ้าเราทําให้เด็กรู้สึกมั่นใจเนี่ยมั่นใจว่าพ่อแม่รักเขาเนี่ยเขาจะไม่มีกังวลครับสมองเขาจะโลง่งและเขารู้สึกว่าเขามีอิสรภาพที่จะทําอะไรก็ได้เนี่ยเขาจะทําในสิ่งที่เขาชอบเสมอฉะนั้นถ้าเขาชอบอะไรเขาจะทุ่มกับมันกับสิ่งนั้นครับอย่างมันชอบดนตรีมากๆรอบชอบไอ มันไปซื้อเครื่องมาแล้วก็เอาดนตรีมาประกอบกันเนี่ยมันใช้เวลาทั้งคืนนะครับมันทําอยู่กับมันอย่างนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันคนเราถ้าทําสิ่งที่ชอบนั่นคือการเรียนนะครับดังนั้นเราไม่ควรจะไปบังคับเด็กว่าเออต้องเรียนคณิตศาสตร์นะลูกต้องเรียนประวัติศาสตร์นะลูกถ้ามันไม่พร้อมอย่าไปสนใจครับนี่เนการเรียนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เด็กโตขึ้นอย่างมีความสุขมากความสุขคือ สิ่งสำคัญที่สุดสําหรับเด็กนะครับถ้ามันสุกแล้วเนี่ยมันเรียนเร็วมากมันทําอะไรได้เยอะมากแต่พ่อแม่เนี่ยลหลายๆคนก็จะมีปัญหาตรงที่อยากจะให้ลูกเป็นเหมือนเด็กคนอื่นเปรียบเทียบกับอยากจะให้ลูกไปหัดเต้นเหมือนเบิร์ตธงชัยไปหัดเต้นเหมือนเลดี้กาก้าอะไรทํานองเนี่ยแล้วก็ภาคภูมิใจที่เต้นได้เหมือนจริงๆแล้วนั่นคือการเรียนแบบ เราไม่ต้องการอย่างนั้นเลยเด็กต้องเป็นเด็กไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะต้องทําได้ขนาดนี้ขนาดนั้นอันนั้นคือความฝันของผู้ใหญ่ครับเราไม่ควรเอาความฝันไปยัดเยียดให้เด็กนี่แหละพอเลี้ยงมาอย่างเงี้ยมันเบามากมันสบายมากที่สําคัญที่สุดก็คือมันทําให้พ่อแม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองสูงมากครับก็คือเราจะดูดัวเราตลอดเวลาว่าเออเราเริ่มจะโกรธแล้วนะฉะนั้นอยู่ใกล้ลูกโกรธไม่ได้นะ เราต้องกลับมาพิจารณาว่าทําไมเราต้องโกรธเรื่องนี้เราที่สุดเราก็รู้ว่าเออเราไม่จําเป็นต้องโกรธอะไรเลยนี่ว่ามันก็ผ่อนคลายลงถ้าเราเริ่มจะทะเลาะกันปุ๊บเออเราจะทะเลาะกันต่อหน้าลูกไม่ได้นะเราก็ก็เลยมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นในที่สุดเราก็ไม่ทะเลาะกันชีวิตเราก็เปลี่ยนไปครับฉะนั้นลูกกลายเป็นครูที่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเรามากเลยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราเยอะมากเลย การมีลูกเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันทำให้เราเข้าใจชีวิตในอีกมิติหนึ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนฉะนั้นพวกเราก็เลยไม่เคยถามลูกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ถามลูกและเราก็จะไม่ถามเด็กอื่นด้วยเพราะนี่คือคำถามที่ไร้สาระมากเป็นคำถามของคนที่คิดอะไรไม่เป็นเพราะอะไร เพราะเด็กมันยังไม่รู้อะไรเลยแล้วจะไปถามมันได้ยังไงว่ามันอยากเป็นอะไรใช่ไหมมันยังไม่เคยเห็นคนเป็นหมอไม่เคยเห็นคนเป็นวิศวกรไม่เคยเห็นคนเป็นสถาปนิกเลยแล้วมันจะตัดสินใจได้ยังไงว่ามันอยากเป็นอะไรฉะนั้นจึงเป็นคำถามที่ไม่เหมาะสมมากส่วนมากมันเป็นคำถามชี้นำครับเป็นความฝันของผู้ใหญ่ฉะนั้นพอชี้นำบ่อยๆถามบ่อยๆปุ๊บ ก็ให้เด็กไปดูหนังเกี่ยวกับหมอหมอนี่รวยนะลูกเป็นวิศวกรนี่ก็รวยนะลูกเอาแต่ความรวยมาพูดถึงซึ่งเด็กจะไม่เห็นความจริงครับเด็กไม่รู้ว่าอาชีพหมอเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนดังนั้นค น, นหลายๆคนที่ไปเรียนหมอนี่พอไปเรียนเข้าจริงๆปุ๊บเครียดครับไม่ได้ชอบเลยแต่พ่อแม่อยากให้เรียนในที่สุดก็เลยเป็นประสาท เป็นบ้าไปก็หลายคนคนนักเรียนหมอเนี่ยแต่ละปีเนี่ยสติฟันเฟือนไม่ใช่น้อยนะครับแต่ไม่มีใครเอาข้อมูลนี้มาพูดครับมันเยอะมากฉะนั้นมันเป็นการทําร้ายชีวิตคนสูงมากฉะนั้นเวลาเราสอนเด็กแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันดีมันสบายและเด็กทุกคนเนี่ยพอมันมีความสุขมันทําอะไรได้หมดครับมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าคนเราไม่ควนสอนกันหรอก เพราะคนทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้และก็มีความใฝ่ฝันที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราไปสอนทําไมการสอนเนี่ยไม่ได้ผลครับเราจะไปพ่อมสอนทําดีนะลูกละชั่วนะลูกเห็น ไ, ไหมสอนต้องสุภาพเรียบร้อยอ ย, งงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตัวเองทําไม่ได้ลูกก็ไม่ทําครับฉะนั้นมันเสียเวลาแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยเสียคนด้วย เพราะว่าการสอนเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงคนเด็กมันจะเรียนรู้จากการสัมผัสมากกว่าการฟังและการอ่านครับฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยพ่อแม่เป็นคนสุภาพมากอ่อนหวานมากแต่เป็นเขาเรียกว่า passive aggressive ก็คืออ่อนหวานแต่บังคับครับลูกต้องเรียนอันนี้นะลูก ใช่ไต้องทำอันนี้นะลูกเนี่ยหวานมากก็คือลูกปฏิเสธไม่ได้อะต้องทำอันนี้คือสิ่งที่เลวร้ายมากสําหรับเด็กนะครับพ่อแม่จะไม่เข้าใจตรงนี้เลยฉะนั้นต่อหน้าพ่อแม่ลูกจะสุภาพเรียบร้อยมากแต่พอออกจากบ้านไปมันเป็นคนละคนเลยครับอันนี้คือสิ่งที่สังเกตเห็นพวกเราก็เลยระวัดระรมัดระวังตัวมากใน เ, เรื่องนี้ว่าเราจะไม่ทาอย่างนี้กับลูกทุกอย่างจะต้องเป็นจริงและถูกต้องจะไม่เสแสร้ง ไม่หลอกลวงกับลูกถ้าเราหลอกลวงลูกหรือเสแสร้งเนี่ยลูกก็จะเป็นอย่างนั้นทันทีเลยครับโดยที่เราไม่ได้พูดฉะนั้นคนเนี่ยไม่ต้องไปบังคับให้ท่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์กี่ประการไม่ต้องไปท่องเลยครับไม่มีความจําเป็นครับเด็กมันจะมีวินยัยมีอะไรขึ้นมาเองถ้าเขามีความสุขและมีอิสรภาพมันเกิดขึ้นเองครับอย่างเด็กที่สวนเนี่ยเราไม่เคยมีข้อห้าม ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตห้ามติดเกมนะลูกห้ามเล่นนั่นเล่นนี่แทนที่จะห้ามเอาเลยลูกพอมันมีอิสระภาพปุ๊บมันไม่เอาแล้วครับพวกเนี้ยเพราะว่าเกมทั้งหลายคือสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดนะครับแต่ทําไมเด็กติดติดเพราะว่าชีวิตเขาหน้าเบื่อมากเกมคือสิ่งที่สนุกที่สุดที่เขาค้นพบในชีวิตครับฉะนั้นเด็กที่สวน 3-4 คนเนี่ยเรามีโทรศัพท์ให้มันมีคอมพิวเตอร์ให้มันมันไม่ติดเกมครับ เพราะว่ามันมีอย่างอื่นสนุกกว่าเยอะเลยเดี๋ยวพ่อจะทำเรือแล้วนะจะทำเรือใบมันก็ทำเรือล้วก็หาไม้หาอะไรให้มันมันก็ไปหาลุงลุงก็ช่วยดาวน์โหลดแบบฟอร์มทาเรือใบมาให้มันอายุแปดปีเกปีมันก็ทำเรือใบแล้วก็เอาเรือใบไ ป, ไปลงที่เขื่อนแม่งมันก็ภาคภูมิใจมากว่ามันชักใบแล้วมันเล่นได้พ่อภาคภูมิใจในที่สุดลุงก็หาทุนให้มันใส่รถ ไปลงที่ภูกเก็ตเอาไปฝากไว้ภูกเก็ตเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่นั่นก็ไปลงทะเลสบายเลยมันภ า, ภาคภูมิใจมากเนี่ยถ้ามันได้เล่นสิ่งอย่างนี้เอาเกมมาให้มันมันก็เฉยครับเนี่ยเด็กติดเกมเด็กมีปัญหาทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาชอบนะครับแต่นั่นคือสิ่งเดียวที่เขาเลือกได้ที่เขารู้สึกว่าดีที่สุดเพราะไปโรงเรียนปุ๊บชีวิตเขาไม่เคยได้ทาสิ่งที่ชอบเลยครับอยู่บ้าน พ่อแม่ก็จําจีจําใจลูกทํานั่นนะด่าอ่านหนังสือสิลูกไปนั่งเล่นทําไมอ่าไปเล่นนั่นเล่นนี่ทำไมอ่านหนังสือไปเรียนหนังสือไปเรียนพิเศษไปถึงโรงเรียนปุ๊บก็เรียนมีแต่เรียนเรียนเรียนเรียนทั้งหมดเลยอ่ะเบื่อมากคณิตศาสตร์แต่ก็นั่งนั่งเรียนจบคลิตศาสตร์ปุ๊บว่าจะได้เล่นบ้างเอ้าวิทยาศาสตร์อีกเบื่ออีกเดี๋ยวกับภาษาไทยอีกทั้งชีวิตมีแต่ความเครียดและความกลุ้มครับเราก็เลยทําให้เด็กเนี่ยร่วงโรยโดยที่ยังไม่ได้บาน ฉะนั้นชีวิตเขาจึงถูกกดขี่และบีบคั้นมากเราบังคับให้เด็กเครียดและกลุ่มตั้งแต่เด็กเขาไม่เคยได้สัมผัสกับคําว่าความสุขความสนุกหรือความเพลิดเพลินในชีวิตอย่างพอเพียงฉะนั้นมันจึงรู้สึกกดดันมากเด็กก็เลยเครียดและกลุ่มมันก็เลยเป็นความแค้นฝังใจครับ การเปิดเผยความแค้นของเด็กออกมาก็คือการทําให้มันสะใจอะไรก็ได้ที่ฝืนกดครับฉะนั้นเด็กก็จะไปเสพสิ่งเสพติดไปตั้งแก๊งไปมั่วสมไปติดเกมไปทําอะไรก็ได้เพื่อให้มันสะใจเพราะว่าคนที่ถูกกดมานานๆเนี่ยมันอยากจะออกจากกรอบครับแต่เด็กเนี่ยมันไม่มีทางออกอะไรที่ท้าทายมันทําหมดครับฉะนั้นการติดยาเสพติด ไม่ใช่ปัญหาของเด็กนะครับนั่นคือปัญหาของระบบที่เรามีอยู่ระบบครอบครัวกับระบบโรงเรียนที่ทําให้เด็กเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเด็กที่มีความสุขมันไม่ได้สนใจแล้วครับยาเสพติดไปกินเสพทําไมมันไม่ได้สนุกเลยอย่างลูกผมเนี่ยผมให้มันกินเบียร์ครั้งแรกอายุสี่ปีครับผมให้กินอันนี้เบียร์ลูกอันนี้วนยชิมลูกมันชิมปุ๊บโอ๊ยขมมากพ่อกินได้ยังไงวันเนี่ยมันก็ไม่แตะอีกกินไวน์ก็กินไม่ไ ผมเอาน้ำอัดลมให้มันกินปุ๊บมันโอ้ไม่กินน้ำอัดลมเพราะว่ามันไม่เคยกินมาตั้งแต่เด็กอย่างลูกผมเนี่ยที่สวนจะไม่มีน้ำอรลมไม่มีขนมกอบแกบกอบแกบเลยเวลาอยากกินปุ๊บเราก็ให้เด็กๆเนี่ยไปเก็บผ ล, ลไม้โอ้สาวปะรดลวงตรงนั้นเยอะลูกมะละกอต้นนั้นสุกแล้วลำไ ย, ยสุกแล้วอพลังก็เยอะไปเก็บมาปั่นครับปั่นสาวรดใส่น้ำผึ้งใส่สรเแน ใส่นั่นใส่นี่มีอะไรใส่เข้าไปใส่สมัดโปร่งฟ้าเข้าไปใส่เข้าไปทํานั่นเท่านี้มั่วไปหมดเลยปรากฏว่ามันอร่อยมากครับอร่อยจนลหลายสูตรเนี่ยเราต้องเอามาขายที่ร้านเพราะเด็กทําให้กินแล้วประทับใจเราก็เลยเอามาขายต่อเนี่ยพอมันกินอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บมันสนุกไงมันสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆเป็นเครื่องดื่มที่มันสร้างขึ้นมาเองมันกินแล้วมันชอบพอมันชอบปุ๊บพอไปกินน้ําอลโอมปุ๊บคนกินได้ยังไงวะเนี่ย มันแย่มากรสชาติมันแย่มากครับเนี่ยมันก็เลยไม่ติดกับแก๊บกั๊บแก๊บอย่างนี้เนี่ยถ้าเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยมันเบามันสบายขึ้นสบายขึ้นจนทุกวันเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าลูกไม่ใช่ภาระของผมเลยต้องกันข้ามลูกคือครูที่สอนผมอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าประมาทนะคำว่าประมาทก็คือการใช้อารมณ์ครับอย่าหลงใช้อารมณ์นะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกมีสติครับพราะเรารักลูกคือเราก็เห็นว่าลูกเนี่ยไม่ใช่คนอื่นลูกคือคือตัวเรานะครับฉะนั้นการลงทุนกับลูกมันจึงคุ้มค่าไงเราเนี่เหมือนต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยที่เราปลูกลงไปปุ๊บเนี่ยพอมันเป็นต้นขึ้นมาปุ๊บมันมีลูกออกมาเนี่ยมันก็คือลูกกล้วยแต่ลูกจริงๆเขามันก็คือหน่อกล้วยครับหน่อใหม่ที่แทงขึ้นมาเนี่ยคือต้นใหม่ ต้นเก่าก็คือผมเนี่ยผมกาลังจะตายไปแต่ต้นใหม่กําลังต่อเกิดขึ้นมาแต่มันไม่ได้ขาดจากกันนะครับมันก็ยังมีต้นลําต้นที่แท้จริงของกล้ยมันอยู่ใต้ดินครับคือหัวของมันนั่นเองนั่นแหละฉะนั้นลูกก็คือตัวผมตัวผมก็คือลูกฉะนั้นเราไม่ได้ตัดขาดจากกันการทุ่มเทเพื่อลูกจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าครับเพราะมันคือตัวเรานั่นเองฉะนั้นเราก็เลยทุ่มเทให้ลูกมีความมั่นคงที่สุด ทางจิตใจว่าเขาจะรู้สึกมั่นคงว่าพ่อแม่นรักเขาเสมอเราไม่เคยด่าไม่เคยตีไม่เคยใช้อารมณ์กับลูกแต่เราใช้เหตุผลกับเขาเสมอพอใช้อย่างนี้ปุ๊บผมไม่เคยเห็นลูกร้องไห้อยากได้นั่นอยากได้นี่เลยวิเด็กสามคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เคยมีใครร้องไห้อยากได้คอมพิวเตอร์อยากได้รถอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้มือถือไม่เคยมีเลยแม้แต่คนเดียว อันนี้คือการทดลองที่เรารู้สึกว่าเออมันดีมากมันสบายมากเราน่าจะนําความรู้หรือประสบการณ์ตรงเนี้ยไปพัฒนาต่อและถ่ายทอดทําให้คนได้หลายคนรู้สึกเบาขึ้นสบายขึ้นผมว่ามันมันมากเลยอ่ะเนี่ยแทนที่จะรู้สึกว่ามีลูกเป็นภาระยิ่งใหญ่เราจะต้องทํางานหนักขึ้นจะต้องเครียดมากขึ้นกลุ้มมากขึ้นสะสมเงินมากขึ้นผมว่าคิดอย่างนั้นมันเหนื่อยครับแต่มาคิดอย่างนี้มันเบาขึ้นเบ อันนี้คือสิ่งที่ผมทดลองมันอาจจะไม่ถูกต้องเป็นจริงสำหรับคนบางคนแต่ว่าผมใช้ได้จริงกับผมผมก็รู้สึกว่าดีแล้วครับนนเดาให้ฟังคร่าวๆอยากให้ถามเพราะว่ามันหลายหลายมุมเหลือเกินไม่รู้ว่าสนใจมุมไหนครับกลับมาที่หมดอาหารนะครับ คุณโจคิดยังไงเกี่ยวกับข้าวข้าวของไทยที่มันผสมพันธ์มาอย่างอย่างไดบรี่นี่ฮะที่เป็นหอมรินกับหอมมะลินะฮะแล้วก็มีพันธุ์ใหม่มาข้าวทับทิมชุมแพที่ผสมระหว่างสังยดกับข้าวหอมมะลิคือที่ผมถามคําถามเนี่เพราะเห็นว่าทําธุรกิจเนี่ยขายเฉพาะหอมมะลิอย่างเดียวอ๋อครับผมจริงๆแล้วการผสมพันธุ์แบบนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติครับไม่ใช่ซี่เรื่องผิดปกติวิสัย ฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่เรามาคัดเลือกเอาคุณลักษณะที่เราต้องการมาผสมกันเฉยๆจึงไม่มีปัญหาครับฉะนั้นการผสมพันธุ์ข้าวเป็นสิ่งที่จะต้องทําเพื่อสร้างความหลากหลายเพิ่มขึ้นมาใหม่แต่ที่ทําธุรกิจยังขายแค่หอมมะลิกับสันปะตองหนึ่งทุกวันนี้ก็เพราะว่าเกษตรกรของเรายังปลูกอยู่ประมาณนี้เราก็เลยขายแค่นี้ก่อนอีกไม่นานเนี่ยเราจะเอาข้าวพันธุ์ใหม่ที่ กลุ่มเพื่อนๆนหรือเครือไข่พัฒนาขึ้นมาพวกข้าวเพชรราตรีบ้างข้าวเพชรถาวรบ้างข้าวอะไรต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยเราอยากจะเอาออกมาให้หลากหลายคือเรามีความฝันว่าถ้าวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นเนี่ยมีคนเข้ามาร่วมกับพวกเรามากขึ้นมีคนบริโภคมากขึ้นเนี่ยเราอยากจะให้มีข้าวมากกว่า50สสายพันธุ์อยู่ในตลาด เพราะผมรู้สึกสะเทือนใจมากว่าคนไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่มาในตลาดข้าวคนไทยมีข้าวไม่เกินหสายพันธุ์ครับแต่พอเวลาไปอเมริกาซึ่งไม่มีข้าวเนี่ยมีข้าวมากกว่า 20,000 พันอยู่ในห้างสรรพสินค้าครับทำไมเขาจึงกินเยอะกว่าเราแต่เรากลับกินน้อยลงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับเพราะว่าความหลากหลายของพันธุ์ข้าว คือความหลากหลายของสารอาหารนะครับคือความมั่นคงของอาหารเราด้วยฉะนั้นก็เลยอยากจะพัฒนามากขึ้นอยากจะนําออกสู่ตลาดมากขึ้นในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นครับมีอีกไหมครับคําถามขอขอสอบถามหน่อยนะคะคือคือแนวความคิดมันมันเยี่ยมมากะคะ่ะ แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงกับการที่จะเลือกกินหรือเรื่องเลิกเลือ ก, เ ล, อกเลือกที่จะเริ่มใช้ชีวิตที่มันมันให้ประโยชน์กับตัวเอง <c oughs> ใหกับประโยชน์เริ่มง่ายๆจากสิ่งที่เราชอบที่สุดก่อนครับว่าเราชอบกินอะไรถ้าเราชอบกินอะไรอย่างชอบกินข้าวเราก็ควรจะเชื่อมต่อกับกลุ่มเกษตรอินทรีย <c oughs> ์เซิร์ชหาไม่ยากครับเชื่อมต่อกับเขาว่าส่งให้ประจำได้ไหม เนี้ยถ้าส่งประจำเนี่ยเราจะได้ราคาที่ถูกกว่าไปซื้อในห้างนะครับเยอะเลยถ้าเราชอบผลไม้ปุ๊บเราก็มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ปลูกผลไม้เยอะมากทเนี้ยออกเมื่อไหร่โทรมาบอกทันทีนะส่งมาเลยเนี้ยทุกวันเนี้ยอาหารอินทรีย์เรามีแทบจะทุกอย่างนะครับในบ้านเราตอนเนี้ยแทบจะมีทุกอย่างแต่ปัญหาของปัจนตอนนี้ก็คือ ผู้ผลิตเนี่ยชาวเกษตรก ร, กรทั้งหลายเนี่ยไม่ไม่ไมีโอกาสที่จะเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้เพราะเขาไม่เก่งในเรื่องเทคโนโลยีไม่เก่งในเรื่องการบริหารจัดการอะไรต่างๆเขาก็เลยผลิตขึ้นมาไม่รู้จะไปขายที่ไหนครับอันนี้คือปัญหาใหญ่แล้วขณะเดียวกันปัญหาอันหลับต่อมาก็คือการขนส่งครับการขนส่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิ่มต้นทุนสูงมาก อย่างทำธุรกิจทำอยู่ตอนนี้เราต้องการที่จะทำให้อาหารอินทรีย์ราคาใกล้เคียงกับเคมีให้มากที่สุดนะครับแต่ปัญหาของมันตอนนี้คือค่าขนส่งมันแพงครับคือค่าขนส่งแพงกว่าผลผลิตของเกษตรกรนะครับมันแพงกว่าครับตอนนี้ฉะนั้นอย่างส่งผักมาจากยโสมาที่พระรามเก้าเนี่ยค่าขนส่งอยู่ที่เที่ยวละพันบาทถึง 5,000 ันบาท แต่ว่าผู้บริโภคอยังน้อยเราเอามาเต็มรถไม่ได้ครับเราก็เอามาแค่ครึ่งรถเอามาครึ่งรถก็ต้องเอาสี่พันไปหารลงที่ครึ่งรถฉะนั้นราคามันก็เลยแพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผู้บริโภคเพิ่มขึ้นปับ๊บเราเอามาเต็มคันรถได้ปุ๊บแต่เราจ่ายสี่พันเท่าเดิมครับฉะนั้นเราเอาสี่พันไปหารลงในเต็มรถเนี่ยราคามันก็จะลดลงอีกซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราพยายามทําอยู่ตอนเนี้ย อีกอย่างหนึ่งก็คือคําว่าเซอร์ติฟายมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตัวเนี้เป็นสิ่งที่เกษตรกรไม่ชอบมากครับเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องการทําดีทําไมเราต้องจ้างคนมาพิสูจน์ว่าเราทําดีครับแต่คนที่ใช้เคมีเยอะๆทําไมไม่พิสูจน์ครับอันนี้มันก็เลยเป็นภาระของเกษตรกรอย่างหน้าผมที่ยะโสธร ยี่สก่าไล่3ามสก่าไล่เนี่ยจ่ายปีหนึ่งหลายพันบาทนะครับทุกปีต้องจ่ายนะครับจ่ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่มามาตรวจว่าเราไม่ใช้สารเคมีแล้วค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็เป็นภาระของพวกเราฉะนั้นเราจึงเห็นว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์เนี่ยจริงๆแล้วมันกีดกันการสร้างเกษตรอินทรีย์ครับเพราะว่ามาตรฐานที่เขามีเนี่ย มันมีเงื่อนไขยเยอะมากโอ้ต้องมีแนวกันชนนะถ้าน้ําคนอื่นไหลเข้ามาก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แล้วใครกี่คนบนโลกใบนี้จะทําได้ครับเนี่ยมันก็เลยทําให้กเกษตรอินทรีย์โตไม่ได้เพราะเพื่อนข้างบ้านเป็นเคมีทั้งหมดตัวเองก็เลยทําไม่ได้เราเห็นข้อจํากัดตรงนี้ครับทําธุรกิจก็เลยบอกว่าโอเคเราไม่ใช้คําว่ากเกษตรอินทรีย์เราไม่ต้องให้ใครเซอร์ติฟาย เรา ด, ดูแลกันเองตรวจสอบกันเองที่เรียกว่า p e g s ครับเราก็ตรวจสอบกันเองโดยที่เพื่อนข้างบ้านจะทําอินซีก็ตามจะทําเคมีก็ตามคุณต้องทําทําเสร็จเราก็จะช่วยคุณขายเพื่อให้คุณอยู่ได้ถ้าคุณอยู่ได้ปุ๊บเพื่อนข้างบ้านเห็นอยากเปลี่ยนด้วยเข้ามาเข้ามาอย่างนี้มีโอกาสเกิดครับเกิดเครือข่ายอินซีที่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นโ ต, ข, นตขึ้นเรื่อยๆฉะนั้น เราจึงไม่ใช้คำว่าอินทรีย์หรือออแกนิกเพราะมันผิดกฎหมายถ้าไม่ได้เซอร์ติฟายแต่เราใช้คำว่าทำธุรกิจฉะนั้นพวกเราก็จะไปตรวจไปเยี่ยมกลุ่มที่ทำแล้วก็ไปใกล้ชิดกันมากๆแล้วในขณะเดียวกันเราก็ชวนผู้บริโภคบางครั้งก็ชวนไปดูไปเที่ยวไปรู้จักกันเราอยากจะสร้างสังคมใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตเนี่ย รู้จักกันใกล้ชิดกันถ้าเรารู้จักกันเราไม่อยากทำร้ายกันหรอกครับเพราะว่าอย่างถ้าเราไปเยี่ยมชาวเกษตรทั่วๆไปเนี่ยเขาบอกโอ้แปลงนี้กินไม่ได้ต้องกินแปลงนี้เท่านั้นอันนี้ปลูกไว้ขายใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือคนรู้จักกันมันจะเป็นห่วงกันใช่ไหมทีนั้นถ้าเขามีความใกล้ชิดผูกพันกันเนี่ยมันจะแก้ ป, ปัญหาตรงนี้ได้ทะนั้นก็คิดว่าเริ่มสิ่งที่เราชอบที่สุดว่าเราชอบกินอะไร แล้วก็ไปสืบหาว่าใครปลูกอันนี้ถ้าไม่ชอบปลูกอย่า ก, กระเสือกกระสนมาปลูกนะครับมันยากแต่ถ้าชอบเนี่ยมาเลยอ่าถ้ายากนี่มาเลยมันมีคนปลูกอยู่แล้วครับมีคนทําอยู่แล้วถ้าเราถนัดอยู่ในเมืองเราก็ต้องทํางานในเมืองเพื่อเราจะได้พึ่งพาอาศัยกันมากขึ้นไงคําว่าพึ่งตนเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปทําอะไรเองทุกอย่างนะครับถ้าเราต้องไปปลูกผักเองไป ทำน้ำปลาเองทอผ้าเองเนี่ยอย่างนั้นไม่เรียกว่าพึ่งตนเองนะครับอย่างนั้นเรียกว่าการโดดเดี่ยวตัวเองครับพึ่งตนเองหมายถึงพึ่งกันเองคนที่อยู่ในเมืองก็ไม่ต้องหนีจากเมืองไปถ้าชอบเมืองก็ต้องอยู่ในเมืองก็ทํางานในเมืองเพราะว่าคนบ้านนอกก็ต้องอาศัยผลงานหรือผลิตผลของคนเมืองเพื่อให้ชีวิตมันอยู่ร่วมกันได้ฉะนั้นการพึ่งกันเองเนี่ยคือหัวใจของคําว่าพึ่งตนเอง แคาว่าพึ่งตนเองเนี่ยก็คือการไม่พึ่งระบบใหญ่นั่นเองเราจะไม่พึ่งระบบที่มันใหญ่อยู่ข้างนอกที่เหนือการควบคุมของเราเราจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทใหญ่ๆถ้าหากว่าคนเล็กๆยำทำได้อยู่เราก็จะช่วยคนเล็กๆอันนี้คือการพึ่งตนเองครับครับขอต่อยอดจากตรงนี้เลยครับได้จากการเชิญอาจารย์โจนเนี่ยนะ ม า, มาพูดที่นี่ทางผู้บริหารโรงเรียนได้เสนอว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยเราไม่น่าจะไม่ให้มันจบที่การบรรยายวันนี้อยากจะให้มันมีการต่อยอดในโรงเรียนเราเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองที่มาร่วมกันในวันนี้เป็นส่วนร่วมในการที่จะทำเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ที่อาจารย์ทำก็เลยอยากให้อาจารย์ชี้แนะหรือใ ห, ให้ตัวอย่างจากประสบการณ์ ที่เคยทํากับพวกเราแล้วก็อาจจะมีแนวทางว่าพวกเราจะทําหรือจะเริ่มกันยังไงและจะสร้างชุมชนกันยังไงที่จะต่อยอดให้มันดําเนินสิ่งเหล่านี้หรือเป็นเครือข่ายร่วมกันกับอาจารย์จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราจะเริ่มได้นี่คือการสร้างสังคมใหม่สร้างระบบใหม่ถ้าหากว่าคนในเมืองเนี่ยอยากจะเชื่อมต่อกับคนต่างจังหวัด ไม่ใช่เรื่องยากครับคนที่ปลูกโดยการที่อย่างในเมืองก็อาจจะมีสวนมีอะไรกันบ้างหรือถ้าใครสนใจอยากจะทำเองอย่างอยู่ในเมืองอยากปลูกผักเองเนี่ยผมแนะนำไมโครกรีนครับก็คือปลูกผักต้นอ่อนกินเองเป็นการผลิตอาหารที่ง่ายเร็วและก็อร่อยด้วยเพราะเม็ดทันตะวันเพราะเม็ด ฝักกาศเม็ดนั่นเม็ดนี่แม้แต่เม็ดกระถิ่นเม็ดมะขามเม็ดอะไรเนี่มาเพาะเลยครับเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยสามารถเพาะได้ถ้ามีพื้นที่พอก็ทําสวนทําอะไรกันเล็กๆได้ทีเนี้ยสิ่งสําคัญก็คือเราสามารถให้มเมล็ดพันธุ์มาได้เพื่อให้เด็กได้ทําได้เล่นหรือพ่อแม่บางคนอยากเอาไปปลูกไปอะไรต่อได้และก็การเชื่อมต่อที่สําคัญก็คือการที่เราจะ ทำให้คนเมืองเนี่ยได้รู้จักกับคนปลูกยังไงซึ่งในอนาคตเนี่ยผมว่าเราอาจจะมีทริปไปเยี่ยมสวนคนนั้นสวนคนนี้บ้างอาจจะให้โรงเรียนพาเด็กๆออกไปดูสวนคนนั้นสวนคนนี้พาเด็กไปจับปลาบ้างพาเด็กไปเลี้ยงไก่ไปเล่นน้ำไปอะไรบ้าง มันจะสนุกมากครับช่วงเกี่ยวข้าวเนี่ยมันจะมันมากครับพาเด็กๆไปโอ้ไปเกี่ยวข้าวไปจับแมงมันไปจับนั่นจับนี่โอ้โหมันสนุกครับทําปีททาอะไรกันจากต่อฟางข้าวทำข้าวหลามทําอะไรกันเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นถึงชีวิตว่ามันมีความหลากหลายสูงมากซึ่งตรงเนี้ยโรงเรียนมันไม่ใช่ไม่ควรจะอยู่แค่นี้ครับโรงเรียนมันน่าจะเป็นโลกทั้งใบ มันจะต้องเอาเหล็กออกจากห้องเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนั้นน่ะสำคัญมากกว่าการนั่งอยู่ในห้องเรียนฉะนั้นเรามีห้องเรียนเยอะเรามีครูเยอะครับครูก็คือเกษตรกรคือชาวบ้านจํานวนมากที่มีองค์ความรู้เยอะแยะเลยคนนั้นสารตะก้าเก่งคนนี้สารนี่เป็นคนนี้ทําปลาคนนี้ทํากะปิคนนี้ทาําน้ําตาลคนนี้ เลี้ยงจิ้งหลีดคนนี้เลี้ยงปลาเด็กๆถ้าไปเห็นพวกนี้ปุ๊บมันจะตื่นเต้นครับสนุกแล้วก็มันไปด้วย เ, เลี้ยงพึ่งยังไงไปเอาพึ่งยังไงเนี่ยเอาน้ําพึ่งยังไงผมว่ามันมันก็นั่งอยู่หน้ากระดานดํานะครับซึ่งตรงนี้แหละมันสามารถที่เป็นสิ่งที่เราจะเชื่อมต่อกันได้ฉะนั้นถ้าโรงเรียนสนใจพวกเนี้ยผมว่าเรามี ทุกอย่างพร้อมเลยครับไปได้เยอะงั้นขออนุญาตเลยนะครับวันหลังเราจะจัดทริปไปได้เลยครับได้เลยลุยนะครับผมนี่ผมนี่ก็รู้สึกแปลกใจมากอย่างสวนผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยมานะครับเด็กไทยมีแต่เด็กโรงเรียนนานาชาติกับเด็กโรงเรียนจากต่างชาติมาครับปีหนึ่งก็มีเป็นสิบสิบกลุ่มมานะครับ นักเรียนแรกเปลี่ยนบ้างโรงเรียนจากจีนมาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพก็ไปแต่โรงเรียนไทยๆ ไ, ไม่ไปไม่อยากให้เด็กไปเพราะพ่อแม่มีทัศนคติที่ขัดแย้งกันครับพ่อแม่แลหลายคนอย่างโรงเรียนใกล้ๆเนี่ยผมบอกว่าเออพาเด็กมาจัดกิจกรรมที่สวนไหมเราจะพาเด็กทำสบู่ทำแชมพู พาเด็กทําขนมทําคุกกี้ทํานั่นทำนี่สนุกสนุกกันสักวันไหมพ่อแม่บอกว่าอุย้ยจะให้เด็กไปยังไงเดี๋ยวมันมันผิวดํานะมันตากแดดกลัวผิวจะดำกลัวเด็กจะตากแดดกลัวเด็กจะถูกดินจะสกรปรกแต่เด็กต่างชาติมาครับถอดเสื้อผ้าเหลือแต่ชุดชั้นในเกลี้ย ก, ก้่ออยู่ในขี้โคลนครับเล่นดิน กลับไปบ้านพ่อแม่บอกว่ามันสุดยอดมากคลิปเนี้ยมันมีกลุ่มชื่อกลุ่มดากอนใช่ไหมที่ทำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่ดังขนาดลูกของโอบามายังมาเลยในกลุ่มดากอนเนี่ยมันจะพาเด็กมาอย่างนี้ตลอดเลยเขาก็พาเด็กมาที่สวนชอบมากกับได้เล่นดินเวลาเราพาเด็กเล่นคลี้โคลนเนี่ย เราขุดบ่อน้ําใส่หยาบดินเด็กๆนี่แป๊บเดียวป่ากันแล้วครับป่าดินกันเปื้อนแบบว่าเสื้อผ้านี่ทิ้งทั้งชุดเลยครับแต่มันมันมากอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เด็กมันได้เห็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตที่เขาไม่เคยมีครับมันสนุกฉะนั้นผมว่าการเชื่อมต่อที่สําคัญก็คือเด็กทําให้เด็กได้เชื่อมต่อกับแผ่นดินได้เชื่อมต่อกับน้าํากับต้นไม้กับพืชกับสัตว์ อันนั้นสำคัญมากคนเราเนี่ยไม่ควรจะอยู่ห่างจากแผ่นดินครับนั่นคือความไม่มั่นคงครับถ้าเรายืนอยู่บนแผ่นดินเราจะรู้สึกมั่นคงแต่ถ้าเราห่างจากแผ่นดินเมื่อไหร่ก็ตามเราจะรู้สึกไม่มีความมั่นคงเราจะมีความกลัวมากขึ้นกลัวมากกว่าธรรมดาเราไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงฉะนั้นเด็กควรจะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติกับแผ่นดินมากขึ้นอันนี้ดีเลยครับเอาเลย นึงนะฮะแล้วเรื่องอย่างการแลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์หรือว่าพันธุ์พืชอะไรเงี้ยครมีแนวทางยังไงให้ชุมชนมันสามารถจริงๆแล้วมเมล็ดพันธุ์ของพวกเราเนี่ยงานหลักของพวกเราที่สวนพันธุ์พันธุ์เนี่ยก็คือการปลูกผักเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็แจกให้กับทุกคนครับทีนี้ใครอยากได้ส่งจดหมายไปเลยแต่ขอให้ส่งซองเปล่าติดสเตมและจ่าหน้าซองไปด้วย เพราะเราไม่ม be really ีท um ุนครับเพราะว่าเราไม่เคยขอทุนใครเลยเราทํำด้วยหยาดเหงื่อแรงงานทั้งหมดทํามา16ปีเราก็ทําอย่างงี้มาแต่ว่าถ้าช่วยส่งซองเปล่าติดสแต็มไปด้วยมันจะช่วยเราเยอะมากตรงเนี้ฉะนั้นเราก็จะจัดใส่ซองส่งมาให้ถ้าขอธรรมดาเราให้ไม่เยอะครับให้ได้หลายชนิดแต่ละชนิดจะไม่เยอะให้อย่างแล้20เมตร30เมตรครับพอมาปลูกปุ๊บแค่มาเขือเทศพันเดียวเม็ดเดียวเนี่ยถ้ามันขึ้นมาปุ๊บเราจะได้เม็ด เกือบเป็นกิโลเลยแะครับเอาไปปลูกได้เป็นอีกสิบไร่เลยแค่เม็ดเดียวเนี่ยมันเริ่มไปขนาดนั้นเลยฉะนั้นเราจึงให้เอาไปทําพันธุ์แต่ถ้าใครที่จะทําเป็นโครงการเป็นเด็กโรงเรียนทำไรทํานองเนี่ยเราให้ได้มากกว่านั้นแต่ขอให้ระบุมาว่าต้องการเอาไปเพื่ออะไรฉะนั้นตอนเนี้เราก็จะมีผักพืชสวนเป็นหลักครับผักสวนทั้งหลายพริกมะเขือถัว่วมะเขือเทศผักสลัด่าพวก ข้าวโพดอะไรแตงทั้งหลายนี่มีครับมะเขือเทศอย่างเดียวเนี่เรามีมากกว่าร้อยร้อยสายพันธุ์นะครับมีมะเขือเทศตั้งแต่ลูกเล็กๆขนาดนี้ครับจนถึงลูกละกิโลก็มีมีรูปทรงที่แหลกแตกต่างมีสีดํามีสีดํามีสีน้ําตาลมีสีเหลืองสีชมพูสีเขียวมีสีจางๆมีหลายสีมากครับฉะนั้นถ้าเด็กปลูกแล้วมันจะรู้สึกสนุกมาก ได้เห็นอ้ขมเขือเทศสีดําก็มีเหรอเนี่ยเวลากินแล้รสชาติมันจะแตกต่างถ้าปลูกหลายหอย่างให้เด็กชิมว่ารสชาติไหนอร่อยอันไหนเหมาะที่จะทําอะไรอันไหนเหมาะที่จะทําซอสอันไหนเหมาะที่จะไปทําแยมอันไหนเหมาะที่จะไปทําน้ำมะเขือเทศอันไหนเหมาะที่จะทําอะไรมันจะสนุกมากฉะนั้นการให้เด็กได้ใกล้ชิดกับอาหารหรือให้ตัวเราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับอาหารเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นมิติที่แตกต่างออกไปในการมีชีวิต น, นิดนึงครับขออนุญาตเลิกเริ่มเนี่ยผมหาจากทุกที่ครับผมหาจากทั้งในหมู่บ้านเราและในต่างประเทศเราเชื่อมต่อกับกลุ่มเก็บเมล็ดพันธุ์จากกลุ่มต่างๆทั่วโลกทั้งในอินเดียในอเมริกาในยุโรปเราจะแลกเปลี่ยนกันเสมอดังนั้นเราจึงเอาเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลกมาหามาอันไหนที่คนกินเราหามาหมด พวกเราเป็นรุ่นแรกที่เอาเม็ดเชียเม็ดแฟลกซีดเม็ดผักขมเข้ามาในเมืองไทยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนีคนไม่รู้จักแต่พอผมเริ่มมีลูกปุ๊บผมก็เลยมาคิดว่าผมอยากจะทำอาหารให้ลูกกินเองแล้วก็พบ ว, ว่ามเมล็ดเชีย น, นี่มีโอเมก้าทีสูงมากแล้วก็เม็ดผักขมนี่มีโปรตีนสูงที่สุดแล้วก็เม็ดแฟลกซีดก็มีฐานอาหารมีอะไรเยอะแยะมากเราก็เลยเอาพวกนี้มาปลูกแล้วก็มาบดผสมทาอาหาร ป้อนลูกในช่วงที่อายุน้อยๆ น, นั้นตอนนี้ก็เลยแจกคนมาสิบกว่าปีแล้วครับแล้วมันเพิ่งมาบูมเมื่อไม่นานนี้เองที่คนเริ่มสนใจเชี่ยมากขึ้นนิดเดียวเอง3ามรอบาทผมทึ่งเลยว่ามันปลูกง่ายจะตายทำไมขายแพงขนาดนี้วะอ่าอีถ้าสมมุติว่าลุงอรุณเราอยากจะทำตรงนี้บ้างเป็นธนาคารหรือเป็นได้เลยครับ มันยากไหมมันต้องเซตอัพหรือว่ามันต้องมีข้อควรระวังยังไงไม่มีอะไรครับขอให้มีตู้เย็นเรื่องของตู้เย็นธรรมดาเรานี่แหละครับเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ผักทั้งหลายเนี่ยมันมีอายุอยู่ได้แค่ไม่เกินหนึ่งปีครับหลังจากนั้นมันจะไม่งอกฉะนั้นมันจึงทําให้พันธุ์ผักหลายอย่างสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วมากเพราะพอบริษัทเอาพันธุ์ผสมมาให้ชาวบ้านปลูกปุ๊บชาวบ้านก็ปลูกพันธุ์ผสมหมดเพราะว่าปลูกแล้วมันเขารับซื้อคืนมันขายได้ ก็ไม่มีใครปลูกพันธุ์พื้นบ้านพอไม่ปลูกพันธุ์พื้นบ้านเกิน2ปี3าปีไปปุ๊บหายไปเลยครับฉะนั้นแค่จากปฏิวัติเขียวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ได้สูญเสียพันธุ์ที่เป็นอาหารไปถึง 94% เอร์ซครับที่เรามีกินอยู่ทุกวันนี้แค่ 6% ปเที่คนเคยกินเมื่อสมัยก่อนเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าอยากจะเก็บพันธุ์ที่นี่สามารถเราส่งมเมล็ดมาให้ได้ว่าสนใจอะไรมีพื้นที่ก็ปลูกที่นี่ครับปลูกเสร็จ เก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็แจกได้หรือจะขายก็ได้หรือจะเก็บปลูกกินก็ได้แจกให้พ่อแม่เอาไปปลูกต่อที่บ้านได้แต่เวลาเก็บมเมล็ดพันธุ์เสร็จปุ๊บให้เก็บไว้ในตู้เย็นเพราะเก็บในตู้เย็นเนี่ยมันอยู่ได้มากกว่าสิบปีครับฉะนั้นเราก็เลยเก็บตู้เย็นตอนนี้เราก็มีปัญหาเพราะว่าไฟฟ้าเราน้อยเราก็เลยมีตู้เย็นมากไม่ได้เราก็เลยต้องไปหาที่อื่นอีก เพื่อที่จะมีไฟฟ้ามากขึ้นเราจะได้เก็บตู้เย็นมากขึ้นเพราะว่าที่เราอยู่เนี่ยเราดึงไฟจากชาวบ้านมาไกลมากใช้มากไฟก็ไม่พออ่าเราก็ก็เลยต้องไปหาใช้บ้านของคนอื่นเพื่อฝากตู้เย็นไว้ฉะนั้นถ้าที่นี่มีไฟเยอะมีตู้เย็นได้เนี่ยผมว่าเราก็สามารถเอาเม็ดมาให้แจกที่นี่ได้ด้วยถ้าอยากจะแจกเราก็สามารถส่งมาให้แจกที่นี่ได้ด้วย ถ้าใครอยากได้ก็ามารับที่นี่ได้ก็จะดีเลยครับเด็กๆก็กจะได้เอาพันธุ์ไปปลูกเล่นหลายอย่างมันสวยครับอย่างผักสลัดเนี่ยมันหลายสีหลายรูปแบบมากถ้าปลูกเป็นประดับเนี่ยมันสวยกว่าดอกไม้อีกครับต้องผักขมเนี่ยผักขมกินเม็ดเนี่ยต้นแดงๆเนี่ยปลูกเป็นป่าแดงๆมันสวยมากดอกสลัดก็สวยครับดอกแฟลกซีดก็สว ย, ส, วยสีม่วงๆดอกเล็กๆเนี่ยมันสามารถปลูกแทนดอกไม้ได้หมดครับ กินได้ด้วยกินเม็ดได้ด้วยแล้วก็สวยด้วยฉะนั้นถ้ามีพื้นที่ที่เป็นสวนดอกไม้เนี่ยเปลี่ยนเป็นสวนผักสวยไปอีกแบบครับเนี่ยน่าปลูกครับพริกอย่างเงี้ยพริกสีม่วงพริกสีแดงพริกสีขา ว, วอะไรพวกนี้มันน่าสนใจ ฟังฟังแล้วก็พึกเหิมอยากจะปลูกทีนี้จะคือท <SA okay. ี่ก็มีแล้วกำลังกําลังวางแผนว่าจะปลูกจะทำปลูกต้นไม้โปเกตเกษียณนึ่คือขอเม็ดพันุ์จากขอาจารย์โจนได้คือผมมีแต่เม็ดพันธุ์ผักครับผมเก็บผักอย่างเดียวเพราะว่าผักอย่างเดียวก็งานเยอะมากครับผมมีอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าสายพันธุหมายถึงว่าแต่ละปีผมก็ต้องปลูกเยอะมาก แต่แรงงานเราไม่ค่อยมีเราก็เท่าที่มีแรงฉะนั้นเราก็เลยมีแต่เม็ดผักแต่ถ้าต้นไม้นี่เราไม่มีเลยแต่ว่าถ้าอยากได้ต้นไม้นี่ไม่ยากครับทุกเดือนมิถุนาพฤษภามิถุนาเนี่ยไปที่ศูนย์ขยายพันธุ์ศูนย์พ่อชํากล้าไม้จังหวัดทุกจังหวัดฟรีครับเม็ดพันธุ์ผักนี่คือขอได้ขอได้ครับส่งจดหมายไปที่ตู้ปนห้าแม่แตงเชียงใหม่ห้าศูนหนึ่งห้าศเท่านั้นแหละครับ แล้วก็ส่งซองเปล่าติดสแตมจากหน้าซองถึงตัวเองแล้วก็ระบุไปว่าอยากได้พันุ์อะไรทีเนี้ยถ้ามีเราส่งใส่ซองส่งมาให้เลยครับถ้าเกิดแบบไม่รู้ว่าควรจะใช่เอ่อปลูกอะไรบ้างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าที่อ่านมาก็คือว่าปลูกสิ่งที่เรากินได้พอเหลือแล้วเราก็จะได้แจกอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากจะทําอะไรประมาณนี้เท่านั้นะนะคะ ก็เริ่มใหม่ๆก็ต้องเริ่มสิ่งที่เราชอบกินก่อนครับเพราะว่าปลูกเราจะได้กินฉะนั้นชอบกินอะไรอะขอเม็ดนั้นมาปลูกก่อนเลยปลูกเสร็จแล้วเราก็เริ่มกินถ้ากินไม่หมดก็แจกแต่เหลือไว้สักต้นสองต้น <c oughs> เหลือไว้ทําพันุ์ต่อมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นแล้วมันจะออกเม็ดหรือแค่ต้นเดียวเราก็จะได้เม็ดเยอะมากครับอย่างตะกี้ที่ฟังเนี่ยก็พอดีจดไปทานเดี๋ยวไปไปขอเอาเม็ดมาดีไล <c oughs> เพราะว่าเราก็จะรู้แต่พอไปตลาดที่ไปเดินซื้อเนี่ยมันก็จะมีแต่ถั่วถั่วฝักยาวมะเขืออะไรเงี้ย<ม> ท, ที่ที่เจียไตยทําออกมาก็ซื้อซื้อมาเพาะอะไรเงี้ยแต่ว่าเม็ดแปล ก, ปลกๆที่อาจารย์บอกว่าสวยดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินเลยตรงตรงเนี้ยค่ะที่ว่าอยากอยากจะได้ไอ้ไอ้ตรงที่ว่าอผักที่ควรจะปลูกเป็นผักพื้นบ้านหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเม็ดพันธุ์ที่ที่ในตลาด คนรู้แต่เม็ดพันธุ์ที่เป็นของพื้นบ้านเนี่ยบางครั้งคนเมืองไม่รู้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขออะไรไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอะไรอย่างเงี้ถ้างกานก็แจ้งไปว่าอยากได้เม็ดแปลกๆ อ, อ, <laughs> อยากได้เม็ดแปลกๆที่ไม่มีในตลาดอย่างเงี้ยเขาก็จะเลือกของแปลกๆให้ก็ดีครับขอไปเลยส่งจดหมายไปเลยหลายๆอย่างเนี่ยนอกการเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่ใช่แค่เก็บเม็ดนะครับ เราจะต้องเก็บเทคนิควิธีการในการกินการใช้ด้วยซึ่งองค์ความรู้ในการกินการใช้เนี่ยมีความสำคัญไม่แพ้การมีเมล็ดพันธุ์ด้วยเพราะหลายๆอย่างกินไม่เป็นตายนะครับอย่างกลอยเนี่ยกลอยเป็นพิษนะครับฉะนั้นถ้าไปกินง่ายๆเนี่ยตายครับฉะนั้นต้องเอากลอยไปฝานบางๆแล้วก็ไปแช่น้ำหลายวันแล้วค่อยเอาขึ้นมานึ่งมันจึงจะกินได้ อย่างต้นบอลอย่างเงี้ยต้นบอลนี่เป็นพิษคันมากครับบางคนแพ้นี่ผมเกือบตายนะครับผมเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดบอลในขณะที่ฝนตกเสื้อเปียกแล้วมันสะบัดเอาน้ํำยางจากต้นบอลมาถูกหน้าอกผมคันมากยิ่งเกายิ่งคันเกาจะเลือดออกครับ ย, ยิ่งคันเลยในที่สุดผมก็ถอดเสื้อออกเอาหน้าอกลงถูพื้นดินเลยครับเลือดไหลเต็มเลยผมรู้สึกว่าหน้าอกมันเริ่มแน่นขึ้นแน่นขึ้นผมหายใจจะไม่ได้ผมก็เลยวิ่ง ไปหาคนเพื่อที่จะให้เ้าพาผมไปโรงพยาบาลพอดีไปถึงที่ครัวปุ๊บไปเห็นยาเหลืองก็เทยาเหลืองใส่เลยครับเย็นว้าบลงเลยเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลขนาดพิดมันแรงขนาดนี้แหละครับต้นบอนเอามาแกงนีนสุดยอดเลยครับอร่อยมากเทคนิคง่ายๆก็คือใส่มะขามเปียกลงไปครับเท่านั้นเองเนี่ยองค์ความรู้เหล่าเนี้ยเราจะต้องเก็บด้วยครับตอนแกงนะครับ ตอนแกงเาใส่มะขามเปียกเราไปลดเปรี้ยวๆลงไปปุ๊บมันจะไม่มีพิษเหลือเลยแล้วเราก็จะกินมันได้ดังนั้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาเนี่ยคือสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราได้ทดลองคัดเลือกทดลองพิสูจน์มาเป็นหลายร้อยปีมีคนเอาชีวิตไปตายไปเจ็บป่วยเป็นร้อยร้อยคนมาแล้วจึงรู้ว่ากินยังไงใช้ยังไงดันั้นถ้าเราปล่อยให้มันหายไปปุ๊บเราต้องมานับ เราต้องมาเริ่มตายกันใหม่เพื่อที่จะรู้ว่ากินยังไงเนี่ยไม่คุ้มค่าครับฉะนั้นเราจะต้องเก็บรวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ด้วยเนี่ยครับขออนุญาตถามนะครับพอดีอาจจะพอะหัวข้อสัมมนาวันนี้มันเรื่องอยู่อวอรจีอิตนะครับเลยจะเน้นเรื่องอาหารการกินซะเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ผมก็สัมผัสได้ว่ามันมีความรู้สึกบางอย่างเรื่องที่พี่โจนอาจจะพูดว่าเอ้ยมันสุด ข, ขั้วไปหรือเปล่าหรือคุณแม่บางท่านก็ถามว่า เราจะเริ่มต้นยังไง mm. เพราะว่าเราก็เกิดมาก็อยู่ในระบบเนี้ย mm. ที่เป็นเมนสตรีมที่เราคุ้นเคยมาก mm. แล้วก็รู้สึกว่าโอโหมันไม่รู้จะไปยังไงมัน mm. มันสุดขั้วแล้วก็มีความบาดหวัน่นหรือกลัวในใจ <c oughs> ทีนี้ทีนี้ผมเชื่อว่าน่าจะกลับมาที่เรื่องของปัจจัยปัจจสี่นะครับซึ่งเมื่อกี้พิจชตพูดถึงเรื่องภูมิบัญญาในการดูแลรักษาตัวเองก็เป็นเรื่องของยารักษาโรค mm. ใช่ไหมฮะ mm. แล้วก็อยากเลยอยากขอพิจรช่วยขยาย อย่ายในสิ่งที่พี่โจมีภูมิปัญญาเนะี่ยเป็นถึงเรื่องของเรื่องไม่ว่าเต็มที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับ mm hmm. เครื่องนึง่งห่มหรื อ, อยารักษาโรคที่พี่โจสร้างไลฟ์สไตล์บางอย่างขึ้นมาใ mm hmm. นส่วนของพี่โจแล้วมันมันเวิร์ะแล้วมันง่ายมากๆ mm hmm. อยากช่วยขยายไปสักสักสักหน่อยครับผมก็เหมือนกับคนทั่ทวไปครับสมัยก่อนผมรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมืดมันเหนื่อยถ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บ เราต้องไปเรียนเกือบอายุยี่สิบปีเรียนจบเพื่อที่จะออกไปหางานทำพอเรียนจบปุ๊บต้องไปหางานทำเพื่อที่จะหาเงินมาซื้อบ้านอยู่ซื้ออาหารกินมาซื้อประกันสุขภาพมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมากมองแล้วเหนื่อยแล้วท้อเลยครับอันนี้แหละที่ทำให้ผมกลับมาคิดว่าทำไมมนุษย์ต้องออกแบบชีวิตให้หน่าเบื่อหน่ายขนาดนี้วะ ในเมื่อสัตว์มันไม่เคยเข้ามาหาอยอะไรเลยอะ่ะมันชีวิตมันง่ายมากเลยอะ่ะหมาข้างถนนมันออกลูกมาทีละสี่ตัวมันยังเลี้ยงลูกได้อย่างสบายเลยอะ่ะอย่างพวกเราเนี่ยต้องไปเรียนแบบเคร่งเครียดเป็นทุกข์มาเป็นเกือบ20ปีแล้วต้องไปทำงานอีกเป็น 30-40 ปีเพื่อที่จะมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าเราออกแบบชีวิตที่น่าเบื่อมากทาไมเราต้องทนกับมันในเมื่อเรามีทางเลือก อันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมกลับมาคิดว่าทุกอย่างมีทางออกเสมอเราจะต้องหาทางออกให้เจอดังนั้นอันดับแรกก็คือผมก็มาคิดเรื่องอาหารว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญสูงสุดบนโลกใบนี้แล้วเราอยู่ในโลกที่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดมีน้ำมีดินมีพืชพันธุ์ที่หลากหลายเราไม่ควรอดอยากผมก็เริ่มไปทาสวนครับทาสวนโดยใช้พื้นที่แค่ครึ่งไร่เท่านั้นเองครับ ทึ่งไล่ใช้เวลาลดน้ำผักไม่เกิน15บนาทีต่อวันครับปลูกผักห้าสิบกว่าอย่างปรากฏว่าครอบครัวผมมีอาหารกินโดยไม่ซื้ออาหารเลยอยู่ๆแม่ผมก็มีเงินฝากเดือนละสามพันเพราะว่าแม่ผมต้องหาเงินมาเก็บไว้เพื่อซื้ออาหารเลี้ยงคนหกคนเดือนละส0มพันแม่ต้องไปรับจ้างหาเงินมาเก็บไว้เลี้ยงเลี้ยงคนหกคนเดือนละสมพันบาท แต่พอผมทําสวนเสร็จปุ๊บแม่ไม่ได้ซื้ออาหารครับแม่ก็เลยฝากเดือนละสามพันผมก็รู้สึกว่าโอ้มันดีว่ะแม่ก็ดีใจแต่เลิกแม่ก็เสียใจที่ลูกกลับบ้านแต่พอได้ฝากเงินแล้วแม่เปลี่ยนไปออหลังจากนั้นก็พบว่าผมปลูกพืชแต่ละอย่างเลยไม่เกินห้าต้นครับพริกห้าต้นมะเขือห้าต้นมะละกอห้าต้นถั่วห้าหลุมแตงห้าหลุมแต่ปรากฏว่ากินไม่หมดสักอย่างครับกินไม่หมดทําบุญก็ไปช่วยทําบุญเพื่อนมาก็แจก ยังไม่หมดก็เลยได้ขายครับได้ขายวันละสองส้อยอีกในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ําวันละร้อยบาทผมทํางานแค่หนึ่งชั่วโมงไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อวันผมได้วันละสองสามร้อยผมก็รู้สึกว่าโอ้ดีวะ่ะชีวิตมันง่ายขนาดนี้ทําไมเราต้องไปทำแ8ดชั่วโมงเพื่อที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวมือละถ้วยซึ่งในก๋วยเตี๋ยวมือละถ้วยไม่มีอะไรนะครับมีหมูบางๆสองชิ้นแล้วก็มีเส้นนิดหน่อยแล้วก็มีใบหอมสับๆใบหนึ่งโยนลงไปผักบุ้งนิดหน่อย มันกินไม่อิ่มครับนั่นเนี่ยผมก็เลย่มาพบว่าเออมันง่ายวะ่ะแค่นี้ก็อยู่ได้ต่อมาก็อยากมีบ้านครับอยากมีบ้านก็เลยคิดว่าถ้าจะมีบ้านเหมือนคนทั่ทวไปเนี่ยมันก็เหนื่อยผมไม่เคยเห็นเงินแสนในชีวิตเลยบ้านหลังหนึ่งกระจอกที่สุดก็แสนห้านะครับสมัยนั้นคือมีแค่อิดบล็อกก่อขึ้นมาแล้วก็หลังคามุงขี้เฉยครัผมก็เลยคิดว่าถ้าไม่มีเงินเราจะสร้างบ้านยังไง ก็เลยลองเอาไม้ไผ่มาทำเป็นบ้านครับไปตัดไม้ไผ่มาทำบ้านก็รู้สึกว่ามันง่ายมากก็อยู่ได้สบายอยู่บ้านไม้ไผ่นี่มันสบายมากเลยมันเย็นดีครับเย็นลมพัดผ่านทุกช่องทุกรูแล้วที่สำคัญที่สุดคือกวาดบ้านหนึ่งนาทีเสร็จครับเพราะหลังมันเล็กดีใจครับได้ได้สร้างบ้านอยู่เองต่อมาก็ได้ไปเห็นบ้านดินที่นิวเม็กซิโกก็เลยเอามาลองทาดูป้าก็ โ้มันง่ายมากบ้านคงถาวรก็ไม่ไพ่อีกผมทำบ้านแค่สองชั่วโมงตะวันตีห้าถึง7ดโมงเช้าทุกวันสามเดือนผ่านไปผมได้บ้านหนึ่งหลังเนี่ยผมก็เลยทำบ้านมาเรื่อยๆต่อมาก็มาทำบ้านก้อนฟางอีกยิ่งง่ายไปใหญ่ครับก้อนฟางก้อนหนึ่งยาวเมตรหนึ่งสูงหสูง30สเซนกว้างห้าสิบเซนตั้งตึกไม้ตอกลงตั้งตึกไม้ตอกลงแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับหนึ่งหลัง เอาดินฉาบ ป, ปุ๊บก็เป็นบ้านแล้วไม่มีใครรู้แล้วว่ามีก้อนฟังอยู่ข้างในเพราะเห็นแต่ดินมุงหลังคามุงอะไรเสร็จเป็นบ้านที่มีอายุอยู่มากกว่าสองปีได้เลยนานกว่าคอนกรีตครับฉะนั้นก็เลยเห็นว่าชีวิตนี่มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นอะไรก็ง่ายไปหมดเลยหลังจากนั้นพวกของใช้ต่างๆทําเองหมดครับเสื้อผ้าก็ไม่ซื้อเพราะว่าคนมาเยี่ยมก็ทิ้งไว้ให้เยอะก็ใช้ให้มันหมดมันก็ไม่หมดสักที ก็มีแต่คนเอาไปทิ้งเพิ่มขึ้นก็เลยไม่ซื้อเสื้อผ้าเออคนอื่นบอกว่ า, วาเออมันมันเสื้อผ้าเก่าๆไม่อยากเชิญมันไปงานงานั่นงานนี่ก็ดีครับไม่ต้องไปเชิญสองการ์ดแต่งงานการ์ดนัานนาน่นการ์ดนี่ลดลงหัวภาพเลยครับสบายเลยอะ่ะชีวิตก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นจนกระทั่งมาคิดถึงเรื่องสุขภาพว่าออกจากงานออกจากกรุงเทพไปเนี่ยเจ็บป่วยมาจะทำยังไง ถ้าไม่มีเงินเดือนไม่มีไรายได้ไม่มีประกันเจ็บป่วยมาจะทํำยังไงก็เลยเครียดพักหนึ่งครับก็เลยมานั่งพิจารณาว่าเครียดยังไงเราก็อยู่ในเมืองต่อไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่ถนัดที่จะเป็นคนเมืองแล้วก็ามานั่งพิจารณาว่าทําไมเรากลัวความเจ็บป่วยในเมื่อว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทุกคนจะต้องผ่านไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่ารวยหรือจนก็เจ็บป่วยเหมือนกันมีประกันหรือไม่มีประกันก็เจ็บป่วยเหมือนกันฉะนั้นทำไมเรากลัวครับผมก็มานั่งคิดคำหนึ่งเรื่องนี้ก็มาคิดว่าการเจ็บป่วยเนี่ยมันมีข้อดีไหมมันมีดีไหมทำไมเราเห็นการเจ็บป่วยเป็นแค่สิ่งที่โชคร้ายที่สุดเท่านั้นเอง นั่งคิดพิจารณาอยู่นานก็เริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างบนโลกนี้จะต้องมีบวกและลบเสมอมีดีและไม่ดีเสมอถ้าเราเห็นแค่ไม่ดีอย่างเดียวแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจมันมันก็เลยทำให้ผมมานั่งพิจารณาว่าอะไรคือข้อดีของการเจ็บป่วยครับนานเข้าผมก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ดีมากดียังไงดีอันแรกก็คือ มันคือสัญญาณจากร่างกายมาเตือนเราว่าเราทำอะไรผิดนะมันจึงจะป่วยฉะนั้นทุกครั้งที่จะป่วยผมก็จะกลับมามองหาตัวเองว่าผมทำอะไรผิดอันดับแรกก็มาคิดถึงว่ากินอาหารผิดไหมอาหารที่กินเนี่ยมีสารอาหารพอไหมมีเคมีมีสิ่งที่ไม่ใช่อาหารมากเกินไปไหมเน่าเสียไหมถ้าหาไม่เจอปุ๊บก็มาดูที่งานว่าเราทางานผิดไหม เราทำงานใกล้ลังสีใกล้สารเคมีไหมหรือทำงานมากเกินไปไหมถ้าหาจากงานไม่เจอปุ๊บกลับมาที่ความคิดครับคิดผิดไหมเพราะหลายๆครั้งเนี่ยการคิดผิดเนี่ยทำให้คนเจ็บป่วยเยอะมากแล้วก็เป็นการเจ็บป่วยที่รักษายากมากอย่างแค่การคิดผิดไปยึดติดกับอะไรสักอย่างหนึ่งมากเกินไปเนี่ยแค่ธุรกิจล้มละลายนิดหน่อยเนี่ยเพียดเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ย อนนันคือคิดผิดนะครับเพราะการล้มละลายมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องกระจอกมากอกหักอย่างเงี้ยอกหักกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดกุ้มคนเต็มโลกจะไปเครียดกุ้มทําไมอะ่ะใช่ไหมนี่คือการคิดผิดใช่ไหมฉะนั้นมันก็เลยทําให้เราเป็นโรคกระเพาะเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราคิดถูกปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มองเห็นอะไรเป็นปัญหาเพราะทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันไม่มีอะไรผิดปกติบนโลกใบนี้นะครับ มีแต่วิธีคิดของเราที่ผิดปกติดังนั้นพอคิดอย่างนี้ได้ก็รู้สึกว่าการเจ็บป่วยมันดีมันเป็นสัญญาณจากร่างกายที่มาเตือนเราก่อนที่มันจะสายเกินไปครับถ้าไปสบายปุ๊บต้องกลับมาหาสาเหตุว่าเราทําอะไรผิดแล้ว เ, เราจะได้รีบแก้ไขถ้าไม่แก้ไขปุ๊บมันสายเกินไปนะครับแต่ชีวิตผมที่ผ่านมาผมไม่เคยมองอย่างนี้เวลาร่างกายส่งสัญญาณมาบอกว่า ทำงานหนักเกินไปแล้วนะมันบอกให้ง่วงผมก็จะไม่ฟังเสียงร่างกายนะครับเวลาง่วงนอนปุ๊บผมจะไม่นอนผมก็จะไปซื้อกาแฟมากินใช่ไหมกินกาแฟปุ๊บผมก็ไปทำงานต่อนั่นคือการละเลยตัวเองไม่ให้ความสำคัญกับตัวเองทำงานไปเรื่อยๆจนมันหนักขึ้นหนักขึ้นร่างกายบอกว่าทนไม่ไหวแล้วนะมันร้อนขึ้นเครื่องร้อนขึ้นมันสัส่งสัญญาณบอกว่าเป็นไข้นั่นหมายความว่าต้องหยุดนะไม่หยุดไม่ เพื่องไม่แน่ผมก็ไม่ฟังครับสมัยก่อนผมก็ไปกินพาราเซตามอลกินทิฟฟี่แล้วก็ไปทำงานต่อเนี่ยคือการไม่ฟังสัญญาณของตัวเองฉะนั้นมันจึงจำเป็นมากที่มีการเจ็บป่วยที่มาเตือนก่อนที่มันจะสายเกินไปถ้าผมยังทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันสายเกินไปรักษาไม่ได้แล้วครับตายจบใช่ไหมอันนี้คือข้อดีของมันอันหนึ่งข้อดีอันที่สองก็คือ การเจ็บป่วยเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่นําผมกลับมาอยู่กับตัวเองง่ายที่สุดครับเพราะในชีวิตจริงของผมเนี่ยผมไม่เคยอยู่กับตัวเองครับแต่ละวันเนี่ยความคิดผมก็จะล่องลอยอยู่ข้างนอกทั้งหมดเลยอยู่กับดาราอยู่กับนักร้องอยู่กับนักการเมืองอ่อยู่กับคนที่เราเกลียดอยู่กับคนที่เราชังอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับงานอยู่กับเงินอยู่กับเจ้านาย หรือใครฆ่าใครที่ไหนใครข่มขืนใครที่ไหนนี่ติดตามตลอดเลยใครไปมีลูกกับใครนี่ติดตามตลอดเลยเออมันไปสืพันกันยังไงเนี่ยมันไปยังไงเนี่ยติดตามซื้อหนังสือพิมพ์ตลอดเลยอ่ะมันเป็นยังไงบ้างทั้งที่ตัวเองอยู่นี่เราไม่เคยสนใจเลยอ่ะฉะนั้นการที่เรากลับมาหาตัวเองเนี่ยมันสําคัญมากการได้อยู่กับตัวเองทําให้เราเห็นตัวเองครับพอเราเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจตัวเอง ฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยคือเวลาเดียวที่เราหนีจากตัวเองไม่ได้ครับเพราะธรรมดาถ้าเราเบื่ออะไรเราจะรีบหนีใช่ไหมเบื่ออันเนี้ยเราก็ไปทำอย่างอื่นเบื่ออันนี้เราก็ไปทาอย่างอื่ น, ออ น, น, นแต่เวลาไม่สบายขึ้นมาปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาเนี่ยลุกไม่ขึ้นครับอยากไปไหนก็ไปไม่ได้กินยาแล้วก็ไม่หายเราก็เลยต้องอยู่กับความเจ็บปวดพออยู่กับความเจ็บปวดนานๆเข้าก็นอนดูมันไปเรื่อยๆ พอดูมันไปเรื่อยๆก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าความเจ็บปวดนี่มันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเหมือนจะทนไม่ไหวเหมือนจะตายเนี่ยสักพักมันก็ลดลงแล้วมันก็ขึ้นอีกแล้วมันก็ลดลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงมันเป็นอยู่อย่างนี้ครับพอเห็นตรงนี้แหละครับมันก็เลยเข้าใจว่าเออความเจ็บปวดมันเป็นแค่อารมณ์ของเราเท่านั้นเองทีนี้พอมันปวดขึ้นมาปุ๊บเราก็บอกว่าช่างมันเถอะสักพักมันก็จะลดลง พอทำอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บมันปวดขึ้นมาปุ๊บเราก็เฉยปวดขึ้นมาก็เฉยในที่สุดความเจ็บปวดไม่ได้หายไปแล้วครับแต่ว่ามันทําให้เราไม่เป็นทุกข์ไม่กังวลกับมันแล้วอันนี้ก็เอาไปใช้กับอย่างอื่นได้ทุกอย่างในชีวิตเลยฉะนั้นการที่ได้อยู่กับตัวเองเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นตัวเองชัดขึ้นตรงนี้ว่าโลกนี้ไม่มีปัญหานะมีแค่อารมณ์ของเราเท่านั้นที่เป็นปัญหา ฉะนั้นในชีวิตจริงเรายากมากที่จะได้อยู่กับอารมณ์ของตัวเองการเจ็บป่วยคือสิ่งเดียวที่ทำให้เราอยู่กับอารมณ์ของเราได้นานขึ้นและมากขึ้นเพราะไม่มีทางเลือกครับหนีไม่ได้ฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งดีอารมณ์การเจ็บป่วยก็เลยกลายเป็นเหมือนครูเหมือนอาจารย์ที่คอยตบกะโหลกอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าประมาทนะชีวิตเราสั้นมากเราไม่ควรใช้ชีวิตด้วยความประมาท เราไม่ควรทำอะไรที่เสี่ยงในชีวิตเราไม่ควรกินอาหารที่แย่เราไม่ควรทำอะไรที่เสี่ยงต่อชีวิตของเราฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแต่อย่างไรก็ตามการเจ็บป่วยก็เกิดขึ้นอยู่ดีถ้าเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงฉะนั้นแรกๆปุ๊บผมก็จะใช้วิธีพื้นบ้านในการดูแลตัวเองก่อน ไม่ได้ปฏิเสธการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแต่เอาไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายเท่านั้นเองอถ้าไม่สบายขึ้นมาปุ๊บก็จะนอนไม่ทําอะไรให้ภูมิคุ้มกันมันทํางานก่อนว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้ไหมสักวันสองวันถ้ามันแก้ไม่ได้ปุ๊บผมก็จะเริ่มใช้สมุนไพรใช้นั่นใช้นี่ใช้วิธีการบ้านๆ น, น, นวดบ้างฝังเข็มบ้างทำอะไรทํานองเนี้ยถ้ามันไม่หายหมดความสามารถจริงๆค่อยไปหาหมอเนี่ยคือวิธีที่ผมใช้ซึ่งผมก็รู้สึกว่า หลายหลายอย่างเนี่ยมันน่าทึ่งครับยกตัวอย่างน้ำเนี่ยน้ำนี่เป็นสิ่งที่สิ่งแรกที่เปลี่ยนชีวิตผมเพราะผมเป็นโรคกระเพาะเลือลังอยู่5ปีครับไปทุกโรงพยาบาลได้ยามาเหมือนเดิมไม่หายเพราะชีวิตผมไม่ปกติครับผมทํางานเป็นกะกะเช้ากะดึกกะบ่ายกินไม่เป็นเวลาสำมเรเทเมาบ้างตามภาษาคนธรรมดาแต่มันโรคมันไม่หายในที่สุดผมก็มาเห็นเรื่องดื่มน้ารักษาโรค ดื่มน้าตอนเช้าครับตื่นขึ้นมาก่อนทำทุกอย่างก่อนแปรงฟันก่อนตื่นขึ้นมาปุ๊บคว้าแก้วน้ำเลยครับดื่มให้ได้ห้าแก้ววันแรกแก้วเดียวไม่ถึงครึ่งแก้วครับอ้วกเพราะในชีวิตจริงไม่เคยดื่มน้าตอนเช้าเลยอันนี้อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้กระเพาะเลือหลังแต่ผมไม่หยุดครับผมก็จิบเอาแก้วใหม่มาจิบจิบไปเรื่อยๆจนในที่สุดได้หนึ่งแก้วในวันแรก วันที่สองได้สองแก้ววันที่สาได้สี่แก้ววันที่สี่ได้สี่แก้วแค่สี่วันเท่านั้นแหละครับอาการปวดอิ่มก็ปวดหิวก็ปวดของผมเนี่ยหายไปครับผมก็นึกว่าเป็นเหตุบังเอิญแต่ผมก็กินมาเรื่อยเรื่อยจนถึงทุกวันเนี่ย30กว่าปีไม่มีโรคกระเพาะอีกแล้วนอกจากนั้นผมก็ใช้กับคนอื่นเยอะมากเลยครับทีนี้ปรากฏว่าทุกคนที่กินไม่มีใครเกินห้าวันสักคนครับหายทุกคน อันนี้แหละที่ทำให้ผมรู้สึกทึ่งมากว่าเออมันง่ายขนาดนี้ได้ยังไงวะทำไมเราไม่เคยเรียนในวิชาสุขศึกษาว ะ, ะทําไมหมอไม่บอกให้เรากินว ะ, ะเนี่ยผมก็เลยกินมาเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวอย่างแรกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าการรักษาตัวเองเนี่ยมันดีครับมันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามีอะไรก็ไปหาหมอมีอะไรไปหาหมอเนี่ยหมอกับพยาบาลเป็นอาชีพที่ เหนื่อยและหนักที่สุดนะครับเป็นทุกข์มากฉะนั้นการลดการไปหาหมอนี่เป็นการทำบุญอย่างยิ่งนะครับเนี่ยผมรู้จักพยาบาลหลายคนเนี่ยแทบไม่ได้หลับใน่นอนไม่ได้กินเลยครับน่าเศร้ามากชีวิตเขาเครียดมากครับฉะนั้นถ้าเราลดตรงนี้ได้ให้เขามีเวลาได้นั่งดู Facebook บ้างก็ยังดีในระหว่างทำงานเพราะว่าอาชีพอื่นเขามีเวลาดูเยอะมากแต่พยาบาลนี่ไม่มีเวลาเลยฉะนั้น การมารักษาตัวเองเนี่ยทำให้เราเข้าใจสุขภาพเรามากขึ้นครับทาให้เรารู้จักตัวเรามากขึ้นซึ่งผมเนี่ยรู้จักตัวเองค่อนข้างจะดีทีเดียวว่าปวดท้องอย่างนี้เป็นโรคกระเพาะนะถ้าปวดอย่างนี้คืออาหารเป็นพิษปวดอย่างนี้คือท้องเสียปวดอย่างนี้คือมีกดมีแก๊สรู้เลยครับฉะนั้นกินข้าวเสร็จใหม่ๆมันปวดจุกเสียแรงๆมากเนี่ยหลายๆคนไม่เข้าใจก็จะต้องเช่ารถหารถไปหาหมอใช่ไหม นั่นก็เป็นภาระให้เขาแล้วแต่ถ้าเข้าใจปุ๊บก็นอนลงปุ๊บนวดตามเข็มนาฬิกาไม่ถึงหนึ่งนาทีครับตดปาดปาดปาดออกหรือไม่ก็เลอะออกมาแป๊บเดียวก็ลุกไปไหนได้เลยไม่รู้สึกปวดอีกเลยเท่านั้นเองไม่ต้องกินยาเลยครับเนี่ยถ้าเราเริ่มสังเกตและทดลองกับร่างกายของตัวเองไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเราจะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะสนุกมากกับการเข้าใจตัวเองว่าโอ้มันแค่นี้เอง ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราต้องจ่ายเงินมากขึ้นเสียเวลาไปเข้าคิวอีกเป็นวันนะครับถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยมันเหนื่อยมากฉะนั้นการรู้จักตัวเองมันช่วยเยอะอย่างสิวเนี่ยมันง่ายมากครับผู้หญิงหลายหคนจ่ายเงินกับสิวเยอะมากนะครับหลายๆคนหมดเป็นแสนไม่หายครับมาหาผมนี่ผมให้ใช้เยี่ยวทาครับคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงออสเตรเลียครับมาอยู่กับผมสองเดือน ผิวขาวมากแต่แก้มเขานี่เป็นผื่นแดงครับเป็นกลมๆเป็นผื่นเป็นวงแดงๆเขาบอกว่ารักษามาสองปีทั่วออสเตรเลียไม่หายผมก็เลยว่าใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านลองดูสิเขาก็ลองครับทาสามอาทิตย์ครับสีแดงๆนี่หายครับแล้วก็เหลือแต่จุดดำๆอาทิตย์ที่สี่จุดดำๆหายไปเลยครับคนต่อมาเนี่เป็นคนไทยครับเป็นสิวที่มีหนองเ ป, นเป็นหัวเป็นหัวเรืองๆครับ วันๆก็จะนั่งบีบสิวครับอบีบทุกวันผมก็เลยให้ทาปรากฏว่าอันนี้ก็สามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์นี้มันหายไปเลยเหลือแต่หลุมเป็นหลุมลึกๆพออาทิตย์ที่สี่ครับหลุมนี่ตื้นขึ้นมาเลยครับเนี่ยมันง่ายมากเลยไม่ได้เสียสักบาทเราเยี่ยวทิ้งเยี่ยวคว้างทุกวันน่ะอ่มันมหาศจรัตย์ครับถ้าไม่ได้ใช้ไม่มีใครเชื่อนะครับ ไม่มีใครใช้ไม่มีใครเชื่อยิ่งไปฟังหมอนี่โอ้มันสกรปรกมากอย่าเอามาใช้มันเลวมันแย่มันของเสียแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนใช้มาเป็นร้อยร้อยปีนะครับแต่ก่อนเนี่ยหญิงผู้หญิงสาวในหลายๆที่นะครับในอินเดียในประเทศลาวสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เยี่ยวทาหน้าเพื่อให้ผิวแต่งตึงลบรอยตีนกาและรอยเหี่ยวย่นครับ เพราะอะไรเพราะว่าในเยี่ยวเนี่ยมันมีเอสโตรเจนฮอร์โมนที่สูงมากมีกรดยูริกมีอะไรที่ฆ่าเชื้อฆ่าอะไรได้ด้วยฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากฉะนั้นถ้าไม่เคยใช้ไม่รู้หรอกครับมไม่เข้าใจหรอกออถ้าของตัวเองไม่พอขอคนอื่นได้ครับอขอคนอื่นได้ ไหนครับอ๋อไม่จำเป็นครับใช้ได้เลยแต่ว่าการดื่มการดื่มเยี่ยวทุกวันเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเรากินอะไรไปก่อนอันนี้สำคัญมากนะครับอย่างอย่างถ้าเรากินเค็มมากเนี่ยหรือบางคนกินไม่เค็มแต่กินผงชูรสเยอะเนี่ยเยี่ยวจะเค็มมากครับถ้าใครกินของที่กินเนื้อมากเนี่ยเยี่ยวจะเหม็นข่าครับ แต่ถ้ากินผักเนี่ยเยี่ยวจะมีกลิ่นที่ดีไม่เหม็นมากสิ่งที่ทำให้เยี่ยวมีกลิ่นดีที่สุดรสชาติดีที่สุดคือฟรีกล้วยมะขามป้อมและน้ำมะพร้าวครับถ้ากินอันนี้ก่อนนอนปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมาเยี่ยวเนี่ยจะใสแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นมากแล้วก็ถ้าเมาเคนเนี่ยใช้เยี่ยวถอนได้นะครับ <laughs> ออกมากับเยี่ยวเยอะมากครับอืมอืมอ่าฉะนั้นเยี่ยวนี่ไม่ใช่ของเสียแต่เป็นของเหลือใช้ครับฉะนั้นถ้าไปดูส่วนประกอบของเยี่ยวเราจะพบว่า 95% คือน้ำครับอีก 2.5% งคือยูริกแอซิดคือกรดยูริกอ่าแล้วก็อีก 2.5% เนตี่ยตัวแรกคือเอสโตรเจนฮอร์โมนคือฮอร์โมนที่ทำให้ผิวแต่งตึงลดรอยเหี่ยวยน่นที่เหลือก็เป็นวิตามินซี แคลเซียมหรือแร่ธาตุที่ละลายน้ำได้ทั้งหลายที่ร่างกายขับออกมาฉะนั้นคนจึงใช้เยี่ยวมายาวนานมากครับเป็นสิ่งเดียวที่มีการบันทึกไว้ที่ยาวนานที่สุดในการรักษาโรคครับอันนั้นก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองพระเจ้าบัญญัติไว้ว่าภิกษุบวชใหม่ต้องทำสี่อย่างภาษาบาลีเรียกว่านิสัยสี่หนึ่งต้องออกบิณฑบาต ท, ทุกวันห้ามขี้เกียจ สองให้อยู่ตามคนต้นไม้อย่าไปนอนในกุฏิวิหารอันที่สามให้ใช้ผ้าบางสกุลคือผ้าหอ่อศพผ้าที่คนทิ้งพระต้องไปเอามาซักมาย้อมแล้วตัดเย็บเป็นเสบงกีวรข้อที่สี่ข้อสุดท้ายคือให้ฉันยานดองด้วยน้ํำมูดเน่าดาดองด้วยน้ํามูดเนา่านมูามตระเนี่ยภาษาบาลีแปลว่าเยี่ยวกับคู่ตระแปลว่าขี้มูดแปลว่าเยี่ยวก็คือเอาเยี่ยวมาดองสมุนไพรนั่นเองสำนั้น พระป่าจนทุกวันนี้สายเถรวาดยังสืบต่อมาจนทุกวันนี้ครับถ้าใครไปกราบพระวัดป่าปุ๊บพระก็จะยื่นจานมาขามป้อมดองสมอดองมาให้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเยี่ยวพระครับ อ, อ, อันนี้คือสิ่งที่เป็นมายาวนานมากครับฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ของใหม่ครับไม่ใช่ของใหม่มีหมอคนหนึ่งที่อินเดียครับ เขาไปจบหมอมาจากเยวจากหมหาวิทยาลัยเยวกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็สงสัยมากว่าทําไมคนอินเดียจึงใช้เ ย, ยวรักษาโรคเยอะเหลือเกินเขาก็ทำวิจัยครับสมัยนั้นก็คือยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็ให้คนประกาศโฆษณาว่าให้คนที่ใช้เ ย, ยเนี่ยแล้วมีผลข้างเคียงยังไงให้เขียนจดหมายถึงเขาด้วยเขารับจดหมายเป็นหมื่นฉบับครับแต่ปรากฏว่าไม่มีแม้แต่ฉบับเดียวที่บอกว่าใช้เ ย, ยวแล้วมีปัญหา ก็เลยทําให้เขามาสนใจเรื่องเยี่ยวมากขึ้นเยี่ยวก็เลยเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากครับอ่าปกติถ้าเอาเยี่ยวเนี่ยถ้าเยี่ยวออกมาเสร็จเลยเนี่ยใช้เลยเนี่ยจะไม่มีกลิ่นครับแต่ถ้าทิ้งไว้นานมันจะกลิ่นแรงขึ้นฉะนั้นถ้าจะใช้ให้รีบใช้ทันทีในขณะที่อุ่นๆ น, นะครับ อ, อย่าให้เย็นครับถ้าเย็นเราจะเริ่มมีกลิ่น อ่าจริงๆดองสมอนี่เป็นแค่เอามากินเป็นยากินสมอเข้าไม่ได้กินเยี่ยวตรงนั้นซึ่งผมไ ม, ไม่ได้เห็นความแตกต่างพี่ดองก็คือกินผลไม้กินสมอกินมะขามป้อมนะครับไม่ได้กินน้ํามันอ่าแต่ว่าถ้าใช้ในดื่มหรือว่าใช้ในภายนอกเลยใช้สดๆเลยครับแต่อย่าให้โดนเสื้อผ้าครับถ้าโดนเสื้อผ้าปุ๊บมันจะมีกลิ่นฉะนั้นถ้าเราทาหน้าไว้ไม่ล้างออกเลยทิ้งทั้งวันไม่มีใครรู้ว่าเราใช้เยี่ยวทาหน้านะครับ ไปไหนมาไหนได้ตามปกติเลยครับแต่ถ้ามันกระเด็นใส่เสื้อปุ๊บจะมีกลิ่นครับเท่านั้นเองออมีเพื่อนหลายคนที่เอามาหมักผมครับหมักผมหมักตัวทั้งตัวแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยดกผมดกผมดำแล้วก็คุณภาพเส้นผมนี่ดีครับแข็งแรงมากก็น่าสน อาใช้ได้เหมือนกันครับไม่ได้ต่างกันผมใช้ทุกอย่างเลยแต่เยี่ยวที่ไม่ควรใช้คือเยี่ยวที่มีสีช้าเลือดช้าหนองหรือเยี่ยวในขณะที่เราเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะอันนั้นคือไม่ควรใช้ครับฉะนั้นก็ถ้าร่างกายปกติหรือเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นเราใช้อยู่ตลอดครับมีคนดื่มเยี่ยวเยอะมากนะครับ ถ้าเราอยู่อย่างเงี้เราจะไม่รู้เลยว่าเขาเคยดื่มคนจะอายครับคนจะไม่บอกกันนะแต่ว่าหลายๆที่ที่ผมไปพอผมพูดว่าผมพูดว่าผมใช้เยี่ยวยังไงเนี่ยคนนั้นก็บอกว่าใช้คนนี้ก็ใช้คนนี้ก็ใช้มันเยอะมากเลยครับมันตลกมากก็คนอายที่จะบอกว่าตัวเองใช้เยี่ยวมียายคนหนึ่งอยู่ที่พร้าเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดปีครับแกบอกว่าโอ้ยยายเนี่ยดื่มมาตั้งแต่อายุยี่สิบ แกดื่มาทุกวันเลยครับแล้วแกเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมากครับ78ปียังทําสวนเก่งมากส่งเงินหาเงินจากสวนเนี่ยส่งลูกเรียนจบปริญญาเอกแล้วก็ลูกได้งานทําเสร็จแล้วก็อ้อหลานมาให้แกเลี้ยงอีกแล้วก็ทําสวนเนี่ยส่งเรียนส่งหลานเรียนอีกจนจบปริญญาตีครับแล้วก็แกก็แกยังแข็งแรงยังเดินไหวยังหิว้วถังน้ําสบายเลยอะ่ะ เนี่ยเป็นสิ่งที่แกภาคภูมิใจมากว่าแกไม่เคยเจ็บป่วยเลยในชีวิตแกดื่มเยี่ยวตลอดอันนี้ก็ที่ออกมาก็ดื่มเลยครับแต่ละดื่มเนี่ยตอนแรกเยี่ยวแรกตอนเช้าครับเยี่ยวแรกตอนเช้าเพราะมันจะเข้มขน้นแล้วเด็ดหัวเด็ดหางเอาตรงกลางอย่างเดียวครับเพราะว่าตอนหัวมันเนี่ยจะมีตะกอนหินปูนค่อนข้างเยอะแคลเซียมจะเริ่มตกตะกอนครับ แล้วก็ตอนหางมันจะจางเกินไปตรงกลางนี่มันจะเป็นความสมสมบูรณ์ของแร่าธาตุต่างๆแล้วก็อาจจะมีเศษซากของเชื้อโลกของอะไรบางอย่างที่มันตายแล้วพอดื่มเข้าไปปุ๊บมันจะไปทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างแรงไอภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านมันก็เลยทำเป็นการออกกำลังกายภูมิคุ้มกันทาให้คล้ายๆกับกินเซรั่มครับอะไรนะ ดื่มแล้วแต่สะดวกครับแต่หลายๆคนที่ผมรู้จักเนี่ยดื่มทุกวันครับยังในกลุ่มโสมนี่จำนวนมากเลยนะครับที่ดื่มเยื่ยทุกวันแล้วก็ผู้หญิงที่เป็นตกขาวคันในอวัยวะเพศครับเอาเยื่ยใส่ในขวดสวนเข้าไปในช่องคลอดเลยครับแล้วก็พอสวนเข้าไปปุ๊บยกตูดให้สูงขึ้นให้มันอยู่สักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีแล้วก็ ยืนขึ้นมันจะไหลออกเองหยุดคันทันทีเลยครับดีกว่ายาในลหลายชนิดที่เคยเห็นมาถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะไปกินน้ำแครนเบอรี่ใช่ไหมแครนเบอรี่จูสแล้วก็เยี่ยวออกมากว่าจะได้เยี่ยวออกมากว่าจะยาจะออกฤทธิ์เนี่ยมันก็หลายชั่วโมงมันก็นานคันแต่เอาเยี่ยวสวนเข้าไปเนี่ยจบเลยทันทีครับอันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากยังไม่น่าเชื่ออกินน้ำห้าแก้ว ก่อนได้แล้วก็ค่อยดื่มตามหลังแต่ว่าปกตินี้ผมเยี่ยวแรกของผมมันตีสี่ครับผมก็จะดื่มเยี่ยวตั้งแต่ตีสี่แล้วผมก็กลับไปนอนอีกก็มาตื่นอีกหกโมงอย่างนั้นผมก็มาดื่มน้ำตอนหกโมงเช้า mm. ก็ ก, ก็ก็เท่าที่ทําได้ไปก่อนครับแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับ mm. พอไปสักพักมันจะถึงเจดแก้วเลยครับ อุณหภูมิปกติครับอุณหภูมิปกติซึ่งการดื่มน้ำห้าแก้วเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตผมเยอะมากเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่ผมเป็นคนไม่ค่อยถ่ายแล้วก็ไม่ค่อยเยี่ยวบ่อยครับทีเนี้ยผมก็สังเกตดูว่าการไม่เยี่ยวบ่อยเนี่ยไม่ดีมากเพราะเวลาเราผ่าศพเนี่ยผมเคยผ่าศพแต่ก่อนผ่าศพเนี่ยถ้าผ่ากระเพาะเยี่ยวเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีหินปูนเนี่ย เป็นแผ่นแข็งแข็งเครือบกระเพาะเยื่ออยู่ถ้าเราขยี้เนี่ยมันจะแตกออกมาเลยครับมันเยอะมากแล้วในเยี่ยวของเรานี่มีแคลเซียมสูงมากนะครับมันตกตะกอนเร็วมากอย่างปกติผมเนี่ยผมจะเป็นคนขี้เกียจมากแล้วก็ผมจะลุกขึ้นมาเยื่ยตอนตีสี่ถ้าผมไปเยื่ยในห้องน้ำปุ๊บแล้วก็กลับมานอนเนี่ยผมจะเสียอารมณ์มากมันจะนอนไม่หลับครับทีนี้ผมก็จะเอาถังมาตั้งไว้ใกล้ๆที่นอน เวลาผมปวดเยี่ยวปุ๊บผมก็จะพลิกเยี่ยวปุ๊บผมก็พริกกลับเลยนอนต่ออันนี้มันทำให้ผมนอนหลับได้ต่อไม่เสียอารมณ์ฉะนั้นผมเยี่ยวตอนทีสี่ใส่ถังไว้6กโมงเช้าผมเอาไปเทถ้าผมเทออกแล้วเอาน้ำใส่แล้วก็เทล้างด้วยน้ำเปี่ยโดยไม่ขัดเนี่ยสี่วันครับถังนั้นจะมีสีขาวเหมือนตะกรอยอยู่ที่ก้นกาน้าครับแค่สี่วันเท่านั้นเองนะวันละสองชั่วโมงมันจะขาวเลยแต่ถ้า ครบหนึ่งเดือนปุ๊บมันจะเป็นแผ่นแข็งเลยครับคิดดูว่าคนที่ไม่เยี่ยวบ่อยๆเนี่ยมันจะตกตะกอนหนาขนาดไหนในกระเพาะเยี่ยวของเราฉะนั้นการดื่มน้ําบ่อยๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเยี่ยวบ่อยๆครับการขับถ่ายเป็นสิ่งที่จําเป็นอยากเยี่ยวเยวอยากขี้ขี้อยากตดตดอยากจามจามอย่าอั้นครับอย่าคิดถึงมารยาทมากคิดถึงสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งครับผู้หญิงหลายๆคนเนี่ย อยากจะตดไม่กล้าตดครับอั้นอยู่งั้น่ะหรืออยากจะจามไม่จามเนี้ออออออออยไม่ปล่อยมันออกมาต้องให้สุดเลยครับนั่นคือร่างกายมันต้องการขับอะไรออกมาฉะนั้นต้องปล่อยให้สุดมันจะรู้สึกโล่งรู้สึกเบาฉะนั้นการดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยมันเป็นการช่วยขับล้างครับในกระเพาะเราเนี่ยในระบบลำไส้ทางเดินอาหารเนี่ยมันจะมีการหมักหมมของเศษอาหารเป็นเวลายาวนานมาก มีแบคทีเรียแบคทีเรียที่ไม่ดีบ้างดีบ้างเกิดกดเกิดแก๊สขึ้นมาต่างๆเยอะแยะเลยการดื่มน้ำเข้าไปมันช่วยละลายความเป็นกดเป็นแก๊สตงทำให้สบายขึ้นครับดีมากขอถามต่อในเรื่องของโยอ a วัจุอีดว่าหลักในการกินอาหารในแต่ละมือ้อ ทางอาจารย์โจนนี่มีข้อแนะนําไรบ้างเพราะบางทีอย่างเนี้ยเราอ่านตํารามามันก็มีหลากหลายว่ามื้อเย็นกินน้อยมื้อเช้ากินเยอะมื้อกลางวันกินหลาก ห, หลาย<ช>ทฤษฎีมากครับแต่ข้องผมนี่ง่ายๆที่สุดก็คือเราจะไม่กินอาหารที่ผ่านกระบวนการมากอย่างพวกขนมซองหรืออาหารแพ็คทั้งหลายเนี่ยหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดอาหารที่แปรรูปมาโดยบริษัทใหญ่ใหญ่เนี่ยยิ่งบริษัทใหญ่มากยิ่งคุณภาพลดลง แล้วก็มีสิ่งที่ไม่ใช่อาหารปนเข้ามามากขึ้นฉะนั้นผมก็จะเน้นที่กินอาหารสดอาหารจริงๆมากกว่าที่จะไปกินก๊อปแกลบก๊อปแกลบ ก, ก, ก, กินนั่นกินนี่ฉะนั้นก็จะเน้นพวกนี้แล้วก็กินเน้นที่ความหลากหลายและแตกต่างครับคือไม่ควรจะกินแต่หมูกับไก่กับข้าวทุกวันทุกวันทุกวันเราควรจะมีอะไรที่แตกต่างไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแล้วค่อยวนกลับมาแล้วก็เน้นหลายๆอย่างผักเนี่ยควรจะมีผักหลายๆชนิด ในแต่ละวันเนี่ยไม่ควรจะกินคณนาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจะ ต, ต้องมีตําลึงบ้างมีกะถินบ้างมีชะอมบ้างมีนั่นมีนี่ให้มันหลากหลายไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเรากินของสดมากขึ้นแล้วก็กินหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ลดพวกเนื้อลงให้มากเพราะว่าเนื้อทั้งหลายในปัจจุบันเนี่ยฮอร์โมนมันสูงมากครับแล้วก็ โปรโตีนที่ได้จากเนื้อเป็นโปรโตีนที่มีกรดอะ ม, ม, มิโนที่ย่อยยากมากฉะนั้นการกินโปรโตีนจากปลาหรือถั่วหรืองาอย่างเงี้ยหรือจากหน่อไม้จากมะเขืออย่างเงี้ยผมว่ามันทำให้สุขภาพดีกว่ากินดีกว่าเน้นผักมากขึ้นครับแล้วก็ลดการปรุงแต่งลงให้ค่อนข้างจะมากทีเดียวแล้วเราจะได้สัมผัสกับรสชาติของอาหารจริงๆอย่างถ้ากินผักธรรมดาเนี่ย ผักคะนาเนี่ยกินสดๆเนี่ยมันอร่อยนะครับมันมีรสชาติที่อร่อยของมันอยู่แต่ว่าในชีวิตจริงเราจะไม่ค่อยได้กินรสของคะนาเลยเราได้กินแต่รสชาติของน้ํามันหอยครับฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ชื่นชมกับรสชาติจริงๆของมันฉะนั้นการกินอะไรที่หลากหลายแล้วก็ไม่กินชนิดเดียวมากเกินไปมันจะดีขึ้นเองครับ แล้วก็กินของสดมากขึ้นของดิบมากขึ้นได้ยิ่งดีครับอาหารดิบเนี่ยควรจะกินมากขึ้นเพราะว่าลหลายๆอย่างเนี่ยอย่างวิตามินซีมันจะโดนทำลายโดยความร้อนเร็วมากอ่าเวลาเรากินอาหารที่บอกว่ามีวิตามินวิตามินซีสูงถ้าผ่านความร้อนปุ๊บมันก็จะหายไปถูกทำลายไปฉะนั้นควรจะมีของสดปนเข้ามาด้วยอันนี้ก็อย่างง่ายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือถ้าเลือกอาหารออร์แกนิกได้ จะดีมากขึ้นครับแล้วก็ผลไม้ไม่ควรขาดผักไม่ควรขาดการเรียนโภชนาการเนี่ยผลเสียของมันด้านหนึ่งคือทำให้เรามีอคติครับเราเรียนโภชนาการมาว่าเนื้อนมไข่ทำให้โตเร็วเราก็เป็นเน้นให้เด็กหลายคนฝึกให้เด็กกินแค่เนื้อนมไข่นะครับโดยไม่มีผักไม่มีผลไม้เท่าที่ควรเลยจึงทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยกินผักไม่เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ น่าเสียดายมากทำให้เขาขาดสารอาหารเยอะมากเพราะว่าร่างกายคนที่อายุเกินยี่ห้าขึ้นไปเนี่ยเราต้องการโปรตีนน้อยมากครับแต่เราต้องการวิตามินและเกลือแร่มากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ยจะทำให้สดชื่นทำให้เต่งตึงทำให้ดูดีขึ้นแต่เรากลับกินน้อยลงฉะนั้นเลือกกับเลือกกินให้ได้คงเหลืออีกได้สักหนึ่งคถามนะครับ ตอนนี้ก็ลูกประมาณสี่ขวบแล้วทีนี้คืออาจารย์มีวิธียังไงถ้าเกิดจะให้แบบว่าจูงใจเขากินผักหลายๆชนิดอะไรี้วิธีง่ายที่สุดอย่าไปทำอาหารพิเศษให้เด็กกินครับวิธีง่ายที่สุดคือเปลี่ยนพ่อแม่เปลี่ยนครอบครัว <c oughs> ใช่เราต้องกินครับเราต้องกินแล้วก็พาลูกกินอย่างเด็กที่สวนเนี่ยอายุเพิ่งสองปีครับ มันกินมะเขือพวงเป็นกรรมครับมันนั่งกินผักเนี่ยกินเก็บกินอย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะพ่ อ, พ อ, พอแม่พากินครับฉะนั้นถ้าเราอยากให้ลูกเป็นยังไงเราต้องทําอันนั้นก่อนห้ามสอนครับห้ามสอนเด็ดขาดอย่าไปสอนอย่าไปบอกว่าต้องกินผักนะลูกต้องกินผักนะลูกอย่าทําอย่างนั้นครับกินเลยเรานี่แหละกินเราต้องเปลี่ยนอันนี้หลผมถึงบอกว่าลูกเนี่ยคือครู มันสอนเราเปลี่ยนตัวเราทั้งหมดเลยทีนีน้อยากให้ลูกกินผักเราต้องกินผักไม่อยากให้ลูกกินน้ำอารมณ์เราจะต้องไม่กินน้าอารมณ์เลยไม่อยากให้ลูกกินขนมก๊อปแกป๊บก๊แกลกินของสแน็คทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องไม่กินเลยแล้วลูกเราจะไม่กินครับแค่นั้นเองครับง่ายก็ดูจากเวลาแล้วก็สมควรกับเวลานะครับก็วันนี้รู้สึกว่า ได้อัทธรศนะครับได้ความรู้ได้ได้มุมมองหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ทําให้ย้ําเตือนว่าคําพูดที่พี่โจนพูดเสมอว่าใช้ชีวิตที่ดีมันต้องง่ายใช่ไหมครับอาหารที่ดีต้องอร่อยนะครับก็ก็ก็อยากจะอยากจะลองเชื้อเชื้อเชิญนะแทนพี่โจว่วาจริงๆถ้าอยากเห็นสิ่งที่มันเป็นรูก ป, ประธรรมที่มันเป็นวิถีชีวิตจริงๆในสิ่งที่พี่โจพูดทั้งหมดเนี่ยไปที่สวนพันพน ที่อำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็เราก็จะค้นพบเราจะไปพบเราไปสัมผั์เลยว่าผักที่มันอร่อยแบบโดยไม่ต้องไปปรุงอะไรเลยเนี่ยแค่ลวกขึ้นมาบมทั้งโตเนี่ยมันเขาอร่อยมากแล้วเนี่ยมันอร่อยอย่างไรนะครับนะครับก็ขอเชื้อเชิญนะครับลองดูก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอเป็นตัวแทนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โจที่สละเวลานะครับสละเวลาแล้วก็ มีความตั้งใจอย่างยิ่งเลยที่จะมาถ่ายทอดแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่พี่โ จ, โจใช้ชีวิตทั้งชีวิตเนาะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการเรียนรู้แล้วก็เอาความรู้มาแบ่งปันให้พวกเรานะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่โ จ, โจมากมากนะครับก็สุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวขอเชิญแม่ยูนะครับเป็นเอาอย่างนู้นะครับเป็นตัวแทนนะครับจากพวกเราทุกคนนะครับในการมอบของที่เล็กๆล็กเลให้กับพี่โ จ, โจนะครับ